ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับโอเคนะโอเคตอนนี้ไลฟ์เท่าไหร่แล้วตอนนี้ร้อยร้อยสิบเจ็ดร้ยสิบแปดแล้วครับมาแล้วขาประจำอ้าวนบรารออยู่พร้อมที่จะกดคุณวิชาณคณมาถม มามาเลยมีอะไรหรือเปล่าโอเคคุณวิชานกดอันมิวได้เลยครับก็คุณพระตาลมาวันนี้แน่ก็เลยรออยครับอ๋อแล้ก็ มันก็เลยเจอมากการมันต้องอยให้จบก่อนอ่าก็ทําไปมีลาไต้องทําก็ทําไปแต่ใจใต้องแนว่วแน่มัน่นคงอย่าเสียดายเดี๋ยวเสียดายนู่นเสียดายนี่ดเดี๋ยวลักพี่เสียดายน้ อ, องถ้าอ่อยอีเดี๋ยวมันก็อาจจะถูกกิเลสเดิงกลับไปได้มันมัน มันมาแว๊บๆนะครับแต่เราก็ลงรู้เราก็เห็หเนมันอยู่นะแต่วันนี้ม่อยๆเรื่องชีเรื่องี้าียนอย่างเงี้ยเราตั้งใจตั้งใจจะใจจะแบบแปดหว่าวันวนี้วันนี้ื้อไหวจริงครับอว่ า, วาแค่พอที่เราแบบทางานเหมือนพเ ร, ราทางาน ก็อย่าลืมปฏิบัติไปด้วยนะลองปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเพราะปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวให้กําลังเราถ้าไม่ปฏิบัติเพียงจะไปเตรียมตัวเตรียมนู่นเตรียมนี่เดี๋ยวหมดแรงพอดีก็เดี๋ยววันที่สามสามแปดก็คือไปปฏิบัติแบบไปกับไปที่พระจางที่เคยไปปฏิบัติด้วยเพราะคือมือเดียวแล้วก็ปฏิบัติแม่แม่งงานไปเลยก็คือทีงานทุกอย่างแล้วกาปฏิบัติทขั้นตอนาเลย เอ่อดีนะพยายามปฏิบัติไปเรื่อยรมีเวลาเท่าไหร่ก็ให้กับการปฏิบัติไปครับแล้วส่วนใหญ่งานครับถ้าไม่ปฏิบัติมันจะไม่มีกําลังนะครับมันจะถูกกิเลสไล่ครับครับถ้าปฏิบัติเราก็เอาธรรมะไล่กิเลสยิ่งธรรมะกับกิเลสนี่มันคู่ต่อสู้กัน อัจานยังไม่หายเป็นหวัดแต่ก็เสียงเปลียนตั้งแต่อ๋อมันก็ดีขึ้นเน่ยมันเพียงแต่ว่ามันมันยังใช้เวลาฟื้นฟูนิดหน่อยแต่ดีขึ้นตามลําดับไม่มีปัญหาโอเคนะอมีใครอยากจะเข้ามาเอาดี ไม่เปิดให้ออดดีเข้ามาเลยเข้ามาออดี้ขาประจำานึ่งจากพัทยาดากเกอแอ่ออดีมีอะไรจะพูดไหยถ้าอยากมีพูดก็เปิดไมได้การนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรพูดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระไปวัดค่ะ ฟังทำงแต่ <ทำ S 1> ว่าบ่ายสองโมงค่ะหนูหนูหนูได้ยินเสียงพระอาจารย์ช่วงนี้เหมือนเหมือนกับพระอาจารย์ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าคะเอา่าเสียงเป็นเป็นหวัดนิดหน่อยรักษาสุขภาพด้วยค่ะตั้งแต่วันก่อนแล้วที่พระอาจารย์ออกมาเทศหนูฟังเสียงแล้วเสียงเปลี่ยนไปตั้งหลายอย่างนะเออนั่นแหละมันเริ่มเป็นตั้งแต่วันก่อนแหละตั้งแต่วันพระก่อน ใช่ค<ช>่ะก่อนหนได้ยินเสียงแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นตั้งแต่ที่วเสาร์อาทิตย์พระอาจารย์ก็เสียงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยจนวันนี้หลายวันแล้วนะคะรักษาสุัภาาด้วยเออดีขึ้นตามลมดับไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปฟังคำค่ะเดี๋ย ว, วไปที่วัดโอเคอคุณจีบจีบซีอยู่ที่ไหนน่าลืมไปแล้วเดี๋ยวปอดมให้ก่อนขอบคุณาค่ะพระอาจารย์ อยู่ที่อเมริกาแมรี่แลนด์ค่ะแมรีแลนด์ตอนนี้ร้อนด้ยแล้ ว, ลออลวตอนนี้ก็ยังอุ่นๆนะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะ เ, เหมือนพายุกะค่ะพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะโยมตามพระอาจารย์ฟังหลายวันแล้วพระอาจารย์เสียงยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยค่ะ<อ>ค่ะแต่เป็นแต่ แต่ฟังพระอาจารย์พูดนากุติเรื่องสังขารก็ทำให้ยมสุขโอเคพระอาจารย์อยู่ในอยู่ในที่ดีแล้วหมายถึงว่าก็ทำให้ยมเรียนไปด้วยว่าร่างกายก็ร่างกายจิตก็จิตร่างกายทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบนี้ดูเราเแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราอโอปัยิโกทานี้ต้องน้อมเข้ากลับมาหาเราใช่เจ้าค่ะเป็นคนแก่ก็ต้องน้อมกลับเข้ามา ต่อไปเราก็ต้องเป็นคนแก่เป็นคนตายก็ต้องน้อมเข้ามาต่อไปเราก็ต้องเป็นคนตาย <c oughs> ไม่มีใครเลีกเลี่ยงได้อย่า <c oughs> ไม่ต้องไปกลัวมันมันไม่ใช่เรา <c oughs> มันเป็นเหมือนรถเราเป็นคนขับใช่ไหมรถ <c oughs> เสียเราก็ซ่อมมันรถพังเราก็ทิ้งมันเปลี่ยนทันใหม่ <c oughs> มันมีเท่านั้นแหละร่างกายมันเป็นเครื่องมือ <c oughs> เป็นเครื่องมือที่เราใช้พาเราไปไหนมาไหน ค่ะถ้าเราไม่อยากจะมีร่างกายเราก็ต้องตัดกิเลสให้หมดอย่าไปอยากอย่าไปอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายค่ะถ้ายังอยากอยู่ถึงแม้ยังไม่อยากจะมีมันเกิดก็ต้องมาเกิดอเพราะความอยากนี่มันมันไม่มันอยู่เหนือความไม่ต้องความไม่ต้องการของเรา ยังต้องตัดความอยากถึงแม้เราจะอยากแบบพอดีแบบอยากเพาะสมมติว่าอยากทํานานอันนี้เพื่อให้ได้มีรายได้เท่านี้เลียงชีพได้อยากันนี้ก็คือยังอยากอยู่ใช่ไหมคะยังอยากอยู่คือถ้าถ้าเลีงชีพเพื่อเพื่อยังชีพอย่างเดียวก็ไม่ไปไรกลัวจะเอาเงินมาเพื่อจะได้ไปเที่ยวด้วยไปซื้อนู่นซื้อนี่ตามกิเลส แต่ถ้า <Okay. S 1> เลี้ยเลี้ยงชีพเฉยๆนี่ไม่เหมือนพระนี่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าไปยังต้องเลี้ยงชีพ uh. กินข้าวแต่แต่เลี้ยงชีพแบบนั้นไม่ได้เป็นกิเลสเลี้ยงตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายเท่านั้นอ่ถ้าย อ, อยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ร่างกายจะเป็นอะไรก็ต้องสู้ให้มันไม่ให้มันตาย <Okay. S 1> ถ้าอย่างเงี้ยยังอยากอ ย, กอยู่ ค่ะยังอยากมีร่างกายอยู่ใช่ไหมถ้าอยากจะรักษาร่างกายถ้ามันรักษาไม่ได้แล้วยังอยากจะรักษามันอยู่เนแสดงว่ามันยังอยากอยากมีร่างกายอยู่ถ้ารักษาไม่ได้ก็หยุดรักษามันไปไปมันไปค่ะพระอาจารย์ยมก็พยายามคิดให้ดีขึ้นนะคะแต่บางทีแต่ช่วงนี้พอดีมันมีปัญหานน่นนี่เข้ามาบางทีนั่งสมาธิจิตมันก็จะแกว้งแกล้งแกลง ตลอดเลยยมก็แบบโอเคเลฟยมเลยไม่แนะ่ใจว่าควรจะปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็นั่งมองมันความคิดหรือเราควรจะเรียกกลับมาที่พุโทโธหยุดคิดดีกว่าคิดไปเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านนะอ่ะหยุดคิดดีกว่าพุดโธดีกว่าหยุดคิดแล้วกลับมาให้มันจดจ่ออยูอ่ที่พุทโธดีดีที่สุดถ้าดูมันคิดมันไม่มีวันหยุดหรอกมันก็คิดคไปเรื่อย พุโทโธเดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีมันก็หยุดได้ใจก็เบาใจก็จะสบายกว่าพียงเราขี้เกียจพุทโธกันให้ชอบพิจจะมากกว่าชอบพุโทโธค่ะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเวลาโยมนั่งสมาธิมันจะแน่นๆตรงหน้าผากนี่คือเป็นเพราะว่าโยมเอาจิตไปจอที่หน้าผากหรือว่าเราควรจะเอามาที่มาที่ฐานนะตรงอกคะหรือว่าเราหรือว่าใช้อะไรล่ะเราใช้อะไรล่ระ โยมนั่งก็พุทโธนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับพุทโธไปค่ะ ถ, ถึงแม้ร่างกายมันจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็ตัดช่างมันช่างมันไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งก็สแสดงว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสใช่ไหมคะเป็นมากิกเลสสมาสค่ะคอยขัดขวางการภาวนาของเรา ค่ะอันนี้คือกิเลสนี่มันคือเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวท น, นี่มันก่อขึ้นเองหรือว่าเป็นกิเลสที่จิตเราสร้างขึ้นมาเองคะจิตเราทั้งนั้นแหละ<ม>อาวิกกิเลสโมหะอาวิชชาสร้างขึ้นมาก็อเอาธรรมะของทธเจ้ามากำจัดมันค่ะค่ะให้พุโธพุโทโธอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองค่ะ ค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ดูแลสุขภาพนะคะยงขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะโอเคสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแก้วตาคุณแก้วตามีอะไรไหมกราบน้มาสักการพระอาจารย์เช้าค่ะเออเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไมเอ่อกที่ผ่านมาก็คือเครียดแล้วก็ ใจวิววิวคือเหมือนกับเป็นซึมเศร้าเป็นแพนิกเนี่ยค่ะแล้วก็ผอาจย์บอกว่าให้ไปสวดอิติปิโสเงี้ยค่ะแก้วก็เลยเอาหนังสือสวดมนต์มามานั่งสวดก็ดีขึ้นนะเจ้าค่ะอตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปได้หลายอย่างแล้วก็ใจก็เบาสบายขึ้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีปัญหาอยู่เรื่อยๆหมดปัญหาหนึ่งก็เจออีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ เย้าใจสบายขึ้นมาพอที่จะเริ่มปฏิบัติได้บ้างแล้วก็เลยอยากกราบเรียนถามผ้าจาันว่าคือคือทีแรกแย้วจะหางานทำดีแบบว่าแบบไปช่วยร้านขายของหรือว่าจะปฏิบัติปฏิบัติไปเลยอะเจ้าค่ะแบบว่าแทนที่จะไปหางานทำไปสมัครขายของแก้งเหงาอะไรเงี้ยก็ก็หรือว่าจะมาแบบว่า นั่งสมาธิทแทนดีค่ะว่าแบบว่าปฏิบัติไปดีกว่าไม่ไม่ไม่ไมต้องไปเอาทางโลกแล้วปฏิบัติได้มันก็ต้องดีกว่าแน่เพราะช่วงนี้มันว่างจากงานประ จ, จ <huh? S 2> ําเจ้าค่ะก็ปฏิบัติสิถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติเหรอค่ะทางโลกเดี๋ยวก็เจอคนไทอีกเจอทางโลกเดี๋ยก็เจอปัญหาเกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่เดือดร้อนแล้วพอมีพอกินเราเอามาปฏิบัติดีกว่าธรรมะเนื้อว่า ทั้งหลายทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงได้สมาธิได้ความสุขจากสมาธินี่มันดีกว่าได้เงินได้เทามันเป็นร้อยล้านพันล้านอีกอย่างอย่างนี้เก้วแต่ว่าเวลาเก้วนั่งสมาธิก็แทบแทบจะไม่เคยสงบเลยแต่ก็นั่งไปเรื่อยๆอย่างนี้อพอจะได้บุญบ้างไหมเจ้ า, าค่ะครับผมปลูกต้นไม้อยู่ไงมีคมพูดก็ว่า mm hmm. คนหว่านเมล็ดวันนี้ยังไม่ได้กินผลวันนี้หรอกก็ต้องปลูกไปก่อนแล้วก็พยายามรดน้ำพวน ด, ดินทำไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งผลไม่ก็ออกดอก อ, อกผลขึ้นมาเองสาธุสาธุเจ้าค่ะง น, นการปฏิบัติมันเป็นแบบปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าไปซื้อฟาสพูดยื่นเงินแปคสิบเงินอาหารก็มาทันทีนะน้องใจเย็น ในช่วงที่เรายังไม่ได้ผลจากสมาธิแล้วก็เอาผลจากทาบุญทําทานไปะ <Okay. S 1> ทําบุญทําทานเนี่ยฟาสฟูตอ่าพอทําบุญเสร็จปั๊บใจจะมีความสุขมีความอิ่ม <Okay. S 1> ขึ้นมาทันทีนะงั้นทํ <Okay. S 1> าทบุญด้วยรักษาศีลด้วยนะแล้วก็ปฏิบัติ <Okay. S 1> ด้วยอ่ต้องทําทั้งสามอย่างงั้ <Okay. S 1> เอาความสุขเบื้องต้นก็เอาความสุขจากการทําบุญทําทานเอ ทำปุ๊บได้ฟักเลยรักษาศาี็เพื่อป้องกันไม่ให้ไปตกในบาปแล้วก็ภาวนาปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆปลูกต้นนิพพานเดี๋ยวถึงเวลามันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาเนี่ถ้าสวดมนต์ได้ทำต่อไปนะอย่าเพิ่งพอมันหายเทรียดแล้วก็เลิกสวดเดี๋ยวมันก็เครียดจบมาใหม่อ๋อค่ะค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ พยายามสวดบ่อยๆสวดเรื่อยๆนะถ้าถ้าเลือกดูดูหนังกับสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ดีกว่าโอเจ้าค่ะเจ้าค่ะพยายามกลับขอบพระคุณ<ห>พระอา<ห>จารย์เอพอพระเจ้าค่ะโอเคนะคอเจ้าค่ะเอพอพระอาจารย์เป็นหวัดเหรอเจ้าค่ะเออเป็นหวัดค่อยอช่วแล้วเดี๋ยวก็หายเจ้าค่ะขอให้หายเร็วๆนะเจ้าค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะ อ่าตอนนัอ่ามีใครต่อไปอยากจะพูดก็ยกมือได้นะตอนนี้รู้สึกว่ามีสิบแปดคนแต่หน้าจอนี้มีประมาณสิบคนน้วนนะอีกแปดคนคงไม่ได้เปิดวีดีโอบ้าเลยไม่เห็นหน้าเห็นตาใช่ไหมยังไม่เปิดไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เปิดวีดีโอครับอ่มีสิบแปดเข้ามา แต่เปิดเผยตัวเองแค่สิบคนอีกแปดคนนี้ขอ อ, อยู่ข้างหลังไม่อยากให้ใครเห็นหน้าใครอยากจะถามซ้ำอ่ะอาดีเชิญคุณอดูดีเปิดไมค์ก่อนค่ะคือว่าวันนั้นที่ วันพระที่แล้วที่ว่าไปไปฟังธรรมะพระอาจารย์นะคะแล้วว่าจะถามคือว่าพอดีไปได้สนทนาธรรมกับอพระรูปหนึ่งนะค่ะแล้วท่านบอกว่าสมัยครั้งพุทธกาลอ่ะไม่ได้มีการบริกรรมคําว่าปุถโธแล้วสมัยก่อนต้องท่านรู้ได้ไงท่านอยู่สมัยก่อนนะรึเปลานหนูก็ไม่รู้ท่านอธิบายมาแบบนี้หนูก็เลยว่าจะว่าจะถามอาจารย์เรื่องเนี้ย ก็ลองถามท่านดูถามไห้เราหน่อยว่าท่านท่านอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือเปล่าท่านฉันรู้เรื่องดีเหลือเกินใช่ไมไม่กล้าไปถามขนาดน <ga S 2> <ๆ>ั้นตอบกลับไปถามไปถามแล้วมาถามเราทําไมแล้เราไม่ได้อยู่ในสมัยพุทธกาลแต่ <c oughs> <c oughs> สมัยพุทธกาลจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เห็นสำการสมัยปัจจุ บ, บันมันใช้ได้ก็โอเคเข้าใจไหม ค่ะหนูก็ว่าอางนั้นนะเพราะอันไหนที่เรามาแล้วมันไม่เบียดร้อนทําแล้วมันสบายใจแล้วอีกอย่างค่ะบริกรรมคํานี้ก็เป็นการะระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาหนูก็ว่ามันก็ดีอยู่แล้วค่ะก็ดีอยู่แล้ว <c ười> ไม่ได้เออทําไ <c ười> มทําไมจะใช้ไม่ได้ถ้าในสมัยพุทธกาลใช้ไม่ได้ เ, เขารู้ยังไงเขาไปอยู่ในสมัยพุทธกาลมาเลยใช่ไหม <c ười> ฟังอย่างเดียวค่ะพระพอดีพระท่านเหมือนท่านอยากจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ย ให้หนูฟังหนูก็เลยอ่นั่งฟังอย่างนี้ยค่ะแต่ว่าอ่านไปแล้วแล้วพิจารณาดูมันมันมีเหตุมีผลมไหมล่ะมันสอนแน่เชื่อฟังหรือเปล่าอะค่ะก็เป็นการศรัทธารำอะมาเจอกันแบบแบบดูแบบถามท่านว่าท่านอยู่ในยุคไหนของสมัยพุทธกาลได้เจอพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเจอภาษาลิบุตรรึเปล่าค่ะเข้าใจไหม ไม่เป็นไรที่วัฏจนทรนั้นเองท่านพูดอะไรก็ปล่อยท่านพูดไปนะเราก็เราดูปัจจุบันก็แล้วกันว่าเอามาใช้แล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าคนที่เขาใช้ได้ประโยชน์หหนูก็บริการพุทถูกไเออหลวงปู่มั่นท่านได้ประโยชน์แต่ลงปู่มันท่านเป็นพระอรหันต์ใ้กามาสอนให้บริการพุทธโถลกศิษย์ลงปู่มาทุกคงก็สอนให้บริการพุทธโถลู ค่ะที่ว่าตั้งสมาธิหนูก็บริกรรมพุทโธนี่แหละไม่รู้เลยครับท่านแล้วถ้าสมัยพุทธกาลไม่บริกรรมพุทโธแล้วทำสมัยนี้ก็บริกรรมไม่ได้เสียท่านหรือเปล่าไม่ไม่กล้าไปไปตอบอะไรท่านฟังอย่างเดียววันนั้นเหมือนท่านอยากจะอธิบายหนูก็เลยนั่งฟังอย่างเดียวไม่กล้าไปตอบอะไรท่านแล้วท่านว่าท่านท่านพูดไปทําไมถ้าสมัยพุทธกาลไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ทราบท่านบอกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนกับท่านพูดในธรรมว่าเหมือนเราเป็นคนไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่ๆต้องมาเจอกันแสดงว่าต้องในพบชาติไหนเคยมาเจอทําให้ท่านได้มาอธิบายทําหนูก็นั่งฟังท่านอธิบายพูดไปอย่างเงี้ยทีนี้ไม่ดีเดี๋ยวบอกเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้เนี่ยอใช่เดี๋ยว <laughs> หนูเชื่อว่าฉันเคยเป็นเมียท่านเดี๋ยววันนี้ฉันต้องอุปการะท่านแล้วล่ะ <laughs> ไม่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรกับท่านนะคะฟังอย่างเดียวหนูมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวท่านอยากจะอธิบายก็ให้ท่านอธิบายหนูไม่ได้โต้ตอบ อ, อะไรก็พูดได้ฟ <s> ังเฉยๆนะันะ <c oughs> โอเคนะค่ะค่ะจุดเช่นนี้ไปค่ะที่จะถามะะ <c oughs> โอเคคุณนิสุดาเหรอนิสุดาอวเชิญเปิดไมค์พูดได้เลย กดคุณนี้สุดากดปุ่มอันมิวเลยครับคุณน้สุดากดปุ่มอันมิวได้เลยครับครับนะพิธีการครับอาจารย์ครับมาจากที่ไหนอ๋ออ่าบ้านเกิดอยู่ที่หนองคายครับแต่มันทางานอยู่สลับบุรีครับเคยมาคุยที่รอบหนึ่งแล้วครับอาจารย์ครับได้ครับอยากจะครับอยจะเรียนถามอาจารย์ว่าตอนนี้อ่าตั้งแต่ขึ้นมาอยู่นี่ ผมทำงานอยู่ช่วงเจ็ดแปดีก็ไม่ค่อยได้กลับเข้าไปทำบุญค่านี้พอถึงเวลาย้ายงานใหม่คราวนี้ตีห้าปีหลังเนี่ยผมอ่ะเคยบวชเป็นอยู่วัดป่าสมัยหลวงตาท่านถวายพอป่าช่วยชาติโน่นแหะครับเมือเมื่อก่อน<ม>นะครับนี้พอมาทำที่นี่พอหลังจากนี้สองสามปีรู้สึกว่าตัวเองนี่เหมือนกับว่าละอายใจตัวเองอ่ะที่เคยบวชเคยศึกษากับปู่อาจารย์ท่านมา เคยบวชเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์กันหาครับอแล้วคราวนี้พอมาเริ่มอีกรอบสองคราวนี้พอมาเริ่มรอบอีกได้สองปีกว่านี่ก็เริ่มเข้าวัดก็เริ่มเข้าวัดหาทางว่าอยู่แถวนี้มันใกล้วัดท่าพุ่งแล้วมีมีคำถามอะไรมีคําถามอะไรบ้าถามทุกวันครับอยากจะถามว่าอ่าทุกวันเนี้ยพอไปสาสามสาความอยากของผมนี่มันจิตไหมคืออยากจะไปทําบุญกับครูอาจารย์ ทำเรื่อยๆคือความอยากอยากจะไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ผมผิดผิดไหมครับมันเป็นกิเลสไหมไม่เป็นหรอกถ้าอยากอยากทําบุญอยากปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมเป็นมรรคครับอยากไปกราบกูฏิอาจารย์อะไรตอเนื่อยากไปเรื่อยเลยมันอยู่อยากไปพาลูกสาวาไปอันนี้อยากดีไม่ใช่อยากแบบกิเลสอยากกิเลสองอยากไปเที่ยวอยากจะช้อปปิ้งอยากจะไปกินไปเดินนี่เรียกอยากกิเลส แล้วมีความสุขมากเลยคำแห่งที่ไปกราบครูอาจารย์อย่างเป็นู้ถากครูอาจารย์อะไรเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ า, มาไม่โอแต่ก็ป่า ป, ปื้มเป็นบีติเลยคนระับผมแล้วมีคําถามหนึ่งอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างผมเนี่ยผมผิดผิดอีกไหมที่ผมต้องเลือกพระที่ต้องไปปฏิบัตินะครับอย่างผมเคยบวชวัดป่ามาไม่ผิดใช่ไหครับไม่ผิดหรอกเพราะว่า พระแต่ละรูปก็มีความสามารถไม่เท่ากันไงมีบุญบ ม, มากน้อยต่างกันเพรางั้นเราอยากจะได้บุญมากเราก็ไปหาพระที่มีบุญมากมากมาแจากเราสมีชั้มามากๆใช่ไหมครับผมเอครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เข้าไปหาพระอาจารย์ปิ๋วครับผมสาํานักสงฆ์ธรรมสวนภูเขครับตอนนี้เข้าไปช่วยอที่ที่ท่านนะครับตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะไปครับใช่ท่านจะบอกเนื้อนาบุญเนี่ยครับผ ม, มนานาบุญาบบนามื่ มัต่างกันใช่ไหมนาบางนาก็ได้ข้าวน้อยนาบางนาเขาได้ข้าวมากเราก็ต้องรู้จักเลือกนาปลูกข้าวเราพระอริยสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโลกุตรละโลกุตรละโลกะสะปุญยขิเตตังโลกะสะนะครับผมนั่นะยังก็ต้องเลือกถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆก็ต้องเลือกพระที่มีบุญให้เราตู้ครับอาจารย์ครับครับผม โอเคนะมาผมหมดคาถามแันไหมครับตําแหน่ครับคุณกา l ล x กซี่โนตเ้าอ่าเปิดไมค์ได้เลยอยู่ที่ไหนคุณกา l ล x กซี่ยังไม่ได้เปิดไมค์เลยเปิดเป็นไหมอันยูอ่าได้ดนะตําจานย์ครับอยู่พัทยาครับ มีอะไรหรือเปล่าเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์บอกว่าสวดมนต์แล้วดีแอบถ้าเราไม่ไม่ไม่เคยเริ่มสวดนี่เราจะสวดเริ่มต้นจากอะไรฮะแล้วเวลาเราสวดเนี่ยเราไม่รู้ความหมายอยากจะรู้ความหมายก็ไปหนังสือแปลได้หนังสือสวดมนต์บางเล่มก็มีบทแปลให้ด้วยครับไป ชื่อหนังสือวดมนต์มาสักเล่มนี้เล่มที่ก็มีบทแปลแล้วก็เริ่มต้นที่นั่โมก่อนนัโมตัสสะแล้วก็อาหังสัมมาแล้วก็พุทธังสารนางกระฉามิแล้วก็อาน า, า, า, า, า, า, า, าตาิปตาขอศิ่ไใดก่อนนี่วิธีสวดมนต์เบื้องตน้นนะแล้วก็ดูคําแปลก็จะมีคําแปลบอกว่าแปลว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าเรากําลังสวดอะไรอยู่ ครับนะหรือถ้าเราไม่รู้เราก็ไปไปอยู่ไปที่ตามวัดที่มีพระพระสวดกันพทุกทุกวัดก็จะมีไหว้พระเช้าเย็นในโบสถ์ก็ไปร่วมสวดก็ได้เดีย๋ยวนี้ทางเฟซบุ๊กก็ทางวัดเขาก็มีถ่ายทอดสดให้เราดูอย่างของวัดยานก็มีเนี่ยวันเสาร์เนี่ยทางวันเสาร์นี้ทางเว็บแฟนเพจเดีนี้เขาก็จะมีถ่ายทอดสด เรื่องการทําวัดเย็นสวดสวดมนต์เนี่ยก็เราติดตามดูก็ได้วันเสาร์ตอนค่ำหกโมงเย็นเวลาคนสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันทําให้เกิดสมาธิเหรอครับอาจารย์ก็สมาธิแบบหยาบหยาบคือไ ม, ไม่ไม่ไม่สงบเต็มร้อยแต่มันก็ทําให้หายฟุ้งซ่านทําให้เราไม่ต้องไปคิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆเวลาสวดมนต์จิตเราก็ต้องอยู่กับการสวดมนต์ มันก็ลืมเรื่องราวที่ทําให้เราเครียดที่ทําให้เรากังวลได้สวดไปแล้วเราก็สบายใจเอแล้วถ้าอยากจะให้มันสงบกว่า น, นั้นเราก็นั่งสมาธิต่อได้เลยนั่งหลับตาดูลมหายใจต่อไปแล้วจิตก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับความสุขก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะอันนี้เบื้องต้นถ้ายังนั่งสมาธิไม่เป็นไม่มีสติก็สวดวนไปก่อน การสวดมนต์นี่ก็เป็นการสวดสติไปนในตัวครับจนะมีก <All right. S 2> ับมีมีคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์ <All right. S 2> ถ้าถ้าเราเหมือนกับเวลาเราจิตเราว่างแล้วเราคอยคอยไปคิดถึงเรื่องบางเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็ทำให้เราไม่สบายใจไง <c oughs> การจ หยุดหยุดคิดได้ยังไงฮะทักสวดมนต์ไปเงท่องพุทโธไปก็ได้ง่ายๆท่องพุทโธไปหรือท่องหน้าโมทัสสะไปอะไรายๆรอบเดี๋ยวมันก็หยุดคิดได้ถ้าเราความคิดมาสวดแทนเงี้ยแท น, นที่จะไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจเราก็เด็กให้มันมาสวดพุทโธพุทโธหรือสวดหน้าโมทัสสะสวดไปสักพห้านาทีมันก็ลืมเรื่องที่จะที่เราจะไปคิดแล้ว เ yeah. ข้าใจนะครับขอบขอบคุณครับอาจารย์โอเคท่านสาวไป faculty of pharmacy ไม่ทราบชื่ออะไรคุณผู้หญิงช่วยเปิดไมค์ได้เลย unmute microphone <c oughs> คุณ faculty of pharmacy กดกดปุ่ม unmute ได้เลยครับตรงกลางจอนะฮะกาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เข้ามาฟังการยาณมิตรแล้วก็ฟังพระอาจารย์ด้วยค่ะอยู่ที่ไหนชื่อว่าสายทิศสุทธิรักษาค่ะเคยเข้ามานานแล้วค่ะตอนนี้อตนนั้นอยู่ที่ขอนแก่นตอนนี้อยู่สารคามค่ะอค่ะอาจารย์เหรอเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้มีคําถามอะไรไหมคําถามก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือ แต่ชอบนั่งสมาธิค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยสวดมนต์หรือว่าเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะได้ไม่เป็นไรถ้านั่งได้ก็ใช้การนั่งสมาธิได้อถ้าถ้านั่งยังไม่ได้เขาถึงต้องอาศัยเดินจงกรมก่อนหรือสวดมนต์ก่อนเพื่อให้มีกำลังที่จะมานั่งได้ถ้านั่งได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเดินก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ค่ะทุกข์ค่ะมีเท่านี้เหรอ อย่างนี้โอเคยังท่านต่อไปคุณหมอพิยุรพัฒน์มีอะไรจะพูดไหมอันนี้ไมโครโฟนก่อนครัหลวพ่อได้ไดยินไหมครับได้ยินได้ยินชัดดีค่ะหลวงพ่อครับเอ่อกายในกายเวทนาในเวทนากายในกายนี้พอจะเข้าใจได้ครับว่าเป็นเรื่องของการดูอาการสามสิบสองา4สี่แต่ว่าเวทนาในเวทนา ยังไม่กระจายหลวงพ่ไม่ไา้อธิบายได้ครับก็เหมือนกันน่ะเรามาพิจารณาเวทนาในเวทนาก็รับพิจารณาเวทนาก็ต้องไปพิจารณาที่เวทนาสิเราจะไปพิจารณาเวทนาที่ที่ร่างกายได้อย่างที่ที่จิตได้ยังไงท่านอธายความว่าอย่างนั้นเวลาเราจะพิจารณาเรื่องอะไรเราก็ต้องไปที่เรื่องนั้นเอ่อถ้าเราพิจารณาที่จะไปะซื้อกับข้าวเราก็ต้องไปพิจารณาที่ตลาดานี้เป็นต้น นัการพิจารณาเวทนาก็คือให้ไปดูเวทนานี่แหละนี่เวทนาที่เรามีนี่มันมีมีสองส่วนด้วยกันแต่ส่วนส่วนแรกนี่เราจะเราจะเน้นส่วนแรกคือเวทนาทางกายเวลาร่างกายเราเจ็บปวดนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมามเวลาร่างกายหายปวดมันก็เป็นสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายไม่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรก็เป็นเวทนาต่างๆก็มีอยู่สามมันที่มันสลับผันเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทางร่างกายนะร่างกายเวลาคิวก็เป็นทุกขเวทนาพออิ่มมันก็สุ ข, ขเวทนาพอมันไม่คิวมันไม่อิ่มมันก็เป็นต่างๆเวทนาต่างๆก็ก็คือก็คือในกรณีนี้หมายความว่าคือให้ดูเวทนาที่เกิดเกิดเนื่องต่อกายใช่ไหมครับหลวงพ่อ คือใหู้กให้เข้าใจว่าเวทนามันเอ่อมันอยู่ที่ร่างกายมาจากร่างกายอันนี้กายเวทนามันมาจากร่างกายแล้วมาจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยที่มันสัมผัสรับรู้เห็นรูปก็เกิดสุขเวทนาก็ได้เกิดทุกขเวทนาก็ได้จะเป็นเฉยๆก็ได้เวทนาเฉยๆก็ได้เช่นไปเห็นรูปที่เราชอบเราเคยมีความสุขกับรูปนั้นพอเห็นอีกมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นรูปที่เกิด เคยมีความทุกข์กับมันพอเห็นมันก็ทุกข์ก็เวทนาขึ้นมาอันนี้ก็คือเวทนาทางกายเหมือนกันพข้ามาทำตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยห้าห้าทวารด้วยกันครับแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเวทนามีสามชนิดมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทีนี้มีเวทนาแบบแสดงว่าตัวความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดซ้อนขึ้นมานี่มันคือตัว อ่ามันคือตัวที่สมุทัยไปไปไปไปไปทำอี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นพูดแต่เรื่องเรื่องที่มาทางร่างกายอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงทางใจอ๋อครับอันนี้ไม่มีไม่มีสมุทัยเกี่ยวข้องเลยอ่เวลาหิวมันก็รู้มันก็รู้ว่าทุกข์ก็แหละใช่ไหมครับเวลาอิ่มมันก็รู้ว่าสุขนะอันนี้มันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับสมุทัยมันเกี่ยวกับอาการที่มากระทบกับร่างกาย เวลาเดินไปเตะก้อนหินนี่มันก็เจ็บมันก็ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแล้ว<อ>ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับศพอันนี้พูดถึงกายเวทนาอย่างเดียวเวทน า, าที่เกิดจากทางกายทีนี้พอมันเกิดเวทนาทางกายมันทีนี้จิตเนีนะ่มันจะเป็นตัวที่จะเกิดทุกข์รู้สึกกับเวทนาทางกายอีกทีหนึ่งไอ้ตรงนีนะ้มาจากมาจากสมุทยัยอันนีเเเ้เราเรียกว่าเราเรียกว่าเวทนาทางจิต อยากแบบเกิดจากสมุทยัยถ้าอยากเวลาเวลาเห็นอะไรชอบอยากได้เนี้มันใจก็จเริ่มกระวลกระวายขึ้นมาับมันก็เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาแลนะหรือยังอาจจะไม่เห็นชัดว่ามันทุกข์จะทุกข์เพระตอนที่ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ตอนนั้นเสียใจแต่ถ้าเราเห็นแล้วเรา เราไม่มีความอยากได้มันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมครับ อ, อับนนะอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์ทางใจที่มามาต่อต่อเนื่องจากทุกข์ทางกายหรือทุกข์สุขทางใจทุกสุขทางทกายหรือทุกข์ทางกายมันจะทําให้ใจเกิดความอยากขึ้นมาอย่างได้อย่างหนึง่งอยากให้ทุกข์หายไปอยากให้สุขได้อยู่นัอยู่ไปนานๆอย่นางเงี้ยพอไม่ได้ก็ทุกข์พอไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์ทางใจชั้นหนึ่ง เป็นทุกสองชั้นสช่งว่าตัว ก, กับเชิงว่าตัวที่ดูเนี่ยก็คือว่าจะต้องไปดูตัวเวทนาที่เป็นฟิ y ิ i c a l Input เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับเพราะไม่ใช่ดูที่จิตก็ต้องดูทั้งสองตัวถ้าจะต้องถ้าต้องชาติจะแก้ปัญหาคือต้องเข้าใจเวทนาทางกายกันว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้จังมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราไป สั่มันไม่ได้เสมอว่ไปเช่นวันนี้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวยเงี้ยไปสังให้มันไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มีเหตุปจัจจัยทำให้มันเกิดให้เข้าใจธรรมชาติของเวทนาทางกายก่อนว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปสลับไปสลับมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้างมันเป็นอ น, นัตตาเราไปจัดเรียงคิวไม่ได้เบอกว่าวันนี้ให้สุขอย่างเดียวพุก พรุ่งนี้คยทุกงี้เราเราจับไม่ได้เราสั่งมันไม่ไดเ้เมื่อเรารู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดทุกข์ทางใจเราก็ต้องสอนใจว่าอยากมีวิญญาณไปเปลี่ยนมันเข้าใจไหมครับยินยินดีตามมีตามเกิดให้ดูว่าเวิทย า, านี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ ด, ดินฟ้าอากาศเรารู้ว่ามันเป็นอนัตตาใช่ไหมเราก็คุมมันบังคับมันไม่ได้ใช่ไับเราก็หัด สนใจเราให้มองเวทนาเหมือนกับดินฟ้าอากาศมันเป็นาหน้าตาเหมือนกันเหมือนกับว่าสมมติเราเราก็สั่งไม่ได้เราไม่อยากให้คนนี้เดินมาให้เราเห็นเหมือนกันทุกอย่างกอ่ะทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสฝนถ้าพ้าที่มาทางที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดินน้ำมันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไอคนนั้นเดินมาแล้วให้ยิ้มกับเราก็ไม่ได้บางทีเดินมาแล้วมันก็ด่าเราครับครับ <laughs> งั้นสะให้เราเข้าใจว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นเหมือนดินฟ้ากัดเราอย่าไปอยากเปลี่ยนมันเราอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจเราเกิดความอยากเมื่อไหร่ใจเราก็จะทุกข์อันนี้เป็นทุกข์เวทนาทางใจเอแต่เราไม่เรียกทุกข์เพระเวทนาเราเรียกทุกข์ในอริยสัจเนี่ยครับที่เกิดจากสมุทัยความอยากทางใจมันก็มีแค่สอง มันไม่ทุกข์ก็สุขนะมันไม่ทุกมันมก็มันก็หายทุกขมันก็ถือว่าสุขไงมันก็สบายใจเรื่องไม่สบายใจมันก็มีอยู่สองอย่างในทางใจแล้วเวทนาแบบที่เป็นเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนานะครับหลวงพ่อมันมันมันมันเป็นเวทนาหรือว่ามันเป็นความหลงครอ๋อมันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเวทนามันมีสามเบางทีอย่างที่เมื่อกี้อธิบายเวลากินข้าวอยู่มก็สุขไหม ครับเวลาหิวข <บ medicine. S 1> ้าวทุกไหมครับบวกรอบเป็นสุขเอ่อถ้าเวลาช่วงที่ไม่หิวไม่อ so ิ่มนี่เป็นยังไงมันก็กลางกาเนี่ยเว่าสุขก็ไม่สุขเว่าทุกข์ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ยังอยากอยู่ไม่นี่ไม่พูดถึงเรื่องอยากเรื่องพูดถึงเรื่องครับเรื่องของทางทางร่างกายครับหรือรูปที่คนเห็นเนี่ยเห็นรูปที่รูปที่เห็นแล้วทําให้คุณมีความสุขก็มีใช่ไหมรูปเห็นแล้วก็ทําให้คุณมีความทุกข์ก็มีใช่ไหม ร, รูปเห็นแล้วคุณเฉยๆก็มีแล้วไม่สุขไม่ทุกข์กับรูปนั้นก็มีใช่ไหมนั่นแหละ ค, คือเวทนาสามชนิดด้วยกันทางกายที่มาทางกายมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไม่นับถึงความไม่นับถึงความความจําสัญญาของเราใช่ไหมครับหลวงพ่อมันอยู่ในนั้นแหละเพียงแต่ว่าเรามันมันมาพร้อมกันหมดมาพร้อมกันหม<า>อมันมันจําได้มันถึงทําให้เกิดในความรู้สึกสุขหรือทุกข์จากไอ้รูปที่เราเห็นเลยครับ เจอคนที่เคยให้เงินเราพอเห็นมันเราก็ยิ้มเงินอาใช่ไหมเฮ้ยวันนี้จะเอาเงินมาให้เราอีกแล้วเจอคนที่เคยเคยตี๊ยหัวเราคอเจอมันว่าวันนี้กูจะถูกตี๊ยหัวหรือเปล่าเลยมันก็ทุกขึ้นมาก่อนนะมันก็มีความจําด้วยแต่บางทีมันก็ไปเจอแบบคนที่ไม่เคยรู้จักก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เลยเฉยๆไปก่อนครับไม่รู้ว่าคนนี้ก็มีประวัติอะไรดีกับเราหรือชั่วกับเราหรือไม่ แล้วก็ไม่ไ ม, มีสุขหรือไม่มีทุกข์เวทนามีแต่เวทนากลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆไปครับครับสามถูกครับแ ต, แต่ที่สำคัญมันไม่ได้อยู่ที่สามตัวนี้สำคัญอยู่ที่ตัวใจว่าประยากประมันหรือเปล่านั่นเองอย่าประหยากเปลี่ยนมันมันสุขก็รู้ว่ามันสุขมันทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกขก์กใช้ปัญญา<ป>ใช้ปัญญาสอนใจให้สัตว์แต่ว่ารู้ อย่างที่ว่าเจ้าสอนว่าเห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินแล้วใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสกับใจอีทีหนึ่การปฏิบัติก็มาตรงนี้แหละมาตรงที่สอนใจให้เป็ น, นปล่อยวางเฉยๆอย่าไป ม, มีความยินดียินดีแล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้พอไม่ได้มันก็เสียใจคือคือไม่กระตุ้นให้เกิดเวทนาไม่<ห>อยู่ข<ห>้างใน ไม่กระตุ้นให้เกิดตัณหาความอยากตัณหาความอยากแต่หมดท้ายไปออย่าไปมีความอยากกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันฝนตกก็อย่าไปอยากให้มันหยุดนี้นองพัดก็อย่าไปอยากให้มันหยุดพัดนี้หรือลมไม่พัดก็อยากไปให้มันพัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาครับซาทุกครับเวทนาปัจยาตัณหา ก็คือตัวนี้เองใช่ไหมครับหลวงพ่อตัณหาปัจญญาเวทนาเออเวทนาสําหรับเกิดปัญตัณหาใช่เพราะเกิดเวทนาแล้วถ้าไม่มีปัญญามันก็จะอยากได้ทันทีอยากได้มันหรืออยากจะทิ้งมันไปถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากจะทิ้งมันไปอยากจะหนีจากมันไปพอหนีไม่ได้ก็ทุกข์พออยากได้แล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ ใจก็เลยแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดวันใช่กับสิ่งที่กับกับเวทนาที่ไปสัมผัสเจอสุขเวทนาก็วิ่งเข้าหาพอเจะทุกขเวทนาก็ดีดหนีนี่บางทีมันดีดไม่ได้นี้ไม่ได้หรือสุขเวทนาวิ่งไปแล้วเข้าหาไม่ได้มันก็เลยเกิดความทุกขึ้นมาความทุกข์กอีกครับแต่ถ้าอยู่เฉยมันก็ไม่เดือดร้อนสุขมากก็ให้รู้มันมาเดี๋ยวมันไปก็ไม่เสียใจทุกม า, าก็รู้มันมา ไม่ไม่ไปบังคับให้มันหนีเราก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่กับมันไปแต่มันยากตรงนี้เราไม่เคยอยู่กับทุกข์เรชอบหนีทุกข์กันครับแล้วเราต้องมาฝึกสมาธิให้ใจให้มันเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะอยู่กับทุกข์ได้ครับซาสุครับหลวงพ่อขอบพคุณครับหมดคำถามครับได้ยันท่านต่อไปคุณเกษรเลนจากเอ n o ซ t น Carolina ล ก่ okay. อนน้ำก่อนน้ำสกางค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างเออโยมสบายสบายดีค่ะโยมมีคำถามคือว่าเมื่อเมื่อสองสามก่อนโยมได้น่าสมาธิแล้วก็จิตนิ่งพอจิตปุ๊บเกิดนิมิคือเห็นหน้าตัวเองโยมก็ตกใจคล้ายๆแบบว่าจิตเกือบหลุดเจ้าค่ะ ก็ตอบไปพูดตอบไปได้เพืนว่าไงมีงคำถามอะไรก็คือว่าพอมีสติขึ้นมาก็ดึงดึงจิตกลับมาค่ะก็ถ้านั้นแหละก็เวลาลูกเห็นรูปในกระจกไม่เห็นไ่ตื่นเต้นตกใจเพราะมันปรากฏ ข, ขึ้นมาในในใจแล้วไปตกใจทำไมก็กเท่านั้นแหละก็ให้มีสติแล้ว แล้วค่ะแล้วมีมีอีกอีกหนึ่งก็ว่าทำไมเวลาจิดงงนาถึงแต่เงวลาสงบมำไมนาเกิดเสียงไม่ค่อยชัดเลยพูดใหม่ได้สัญญาณคุณไม่ดีช่ไหคุณเกียรติคือว่าทําไมเวลาเ่าแสดงว่าสัรูปดีคือคือรู้น่าสมาธินะเจ้าค่ะ เขาว่าไปเลยไม่มีเสียงก็คือว่าได้ยินไหมเจ้าค ะ, ะคือว่าเวลาลูกนั่งสมาธิอ่ะเวลาจิตสงบอ่ะทําไมเวทนาถึงเกิดแต่ว่าทําไมเวลาจิตไม่สงบทําไมเวทนาถึงเกิดเวทนาอะไรร่างกายเหรอเจ้าค่ะเวทนาอะไรมันก็เป็นเรื่องของเวทนาเวทนาร่างกายเจ้าค่ะ เออก็ประคับไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดมันไม่เกิดก็ไม่เกิดจะไปต้องไปถามมันทําไมก็รู้ตามความเป็นจริงของมันไม่เกี่ยวกับว่าจิตมันไม่เกี่ยวกับจิตสงบหรือไม่จิตไม่สงบเจ้าคะเอ่อจิตสงบมันก็ยังมันก็มีเวทนาได้เวลาไม่สงบมันก็ไม่มีเวทนาก็มีอย่าตอนนี้คุณไม่มีเวทนาใช่ไหมอ่แต่ว่างครั้งนั่งมันก็อาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาก็ได้นั้นเวทนาทางร่างกายไม่เกี่ยวกับจิตคนละเรื่องกัน คเพีึงจะเจตให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้จังไม่เที่ยงอนาตตาไปสั่งมันไม่ได้ปัญหาของจิตก็คือยากไปอยากเท่านั้นเองส่วนใหญ่พอเจอทุกขเวทนาอยากให้มันหายทันทีพออยากให้ทุกขเวทนาหายใจก็เลยเครียดขึ้นมาใจก็เลยทุกขึ้นมาและทําให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเวลาล<อ>เวทนา เ, เกิดจะเป็นอะไรที่ เจ้าค่ะทนเวทนาไม่ได้แต่ไม่ใช่เวทนาทางกายที่ทนไม่ได้ทนเวทนาทางใจไม่ได้ทุกข์ทางใจไม่ได้เจ้าค่ะอย่างนี้อย่างนี้โยมต้องทํำยังไงเจ้าค่ะต้องพุโทโธถ้าเกิดเวทนาทางใจเกิดกิเลสแล้วเกความอยากแล้วก็พุโทโธพุโทโธใส่เข้ามันไปเจ้าค่ะจนมันจะหยุดอยากพอมันหยุดอยากแล้วใจก็นิ่งแล้วทีนี้เวทนาทางร่างกายก็อยู่ของมันไป ใจก็ไม่ไปอยากให้มันหายอยู่ต่างฝ่แล้วก็ทําอยู่ด้วยกันได้อเจ้าค่ะกรางสายุเจ้าค่ะมีอีกไหมไม่มีค่พะพระอาจารย์สบายดีไหมคะก็อย <c oughs> ่างงี้ก็พ้นหายจากไข้แต่ยังไม่หายร้อยเอร์เซ็นต์ก็เกือบจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์าหายไปบ้ไงน ะ, ะเจ้าค <c oughs> นะ่ะโอเคงั้นไปท่านต่อไปนะเดี๋ยวถ้าอยากจะถามไว้ถามใหม่ทีหลังคุณจักรก็คงตอนนี้ถึงชีวิของคุณแนละ้ว ได้ยินไหมคุณจักรพงศ์ถ้าต้องการพูดก็อันมิวไมโครโฟนได้เลยกดกดอันมิวเลยครับตรงกลางหน้าจอได้ยินไหมครับผมได้ยินอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร0อยเอ็ดครับมีอะไรจะถามไหมคือก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับตัวที่ว่าหีริทนังนะครับทรัพย์ที่เป็นความละอายต่อบาปคือ พอเราได้ยินไหมครับผมครับยินได้ยิ น, ยนคืออย่างนี้นะครับคืออย่างผมเนี่ยบางทีอ่ารู้สึกผิดอย่างเช่นเราขับรถบนถนนแล้วบางครั้งเราไปคือไปปาดหน้ารถขคันดังโดยที่เราไม่ได้เจตนาหรือตั้งใจนะครับด้วยความเราไม่คุ้นเคยเส้นทางก็ดีเลยได้ไหลายอย่างนะครับแต่ทีนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าคือเราไม่น่าไปทําอย่างนั้นไม่น่าจะไปปาดหน้าหรืออะไรคือ ก็จะมีความวิตกกังวลอยู่อยู่พักหนึ่งแต่ก็คงก็ก็ไม่นานนะครับก็ประมาณมสักสามชั่วโมงก็<ๆ>ก็หายไปแล้วก็จะก็จะไม่มีความรู้สึกนั้นอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหรืออีกบางอย่างเช่นคือเราเราพูดไม่ดีอาจจะอาจจะใช้คำพูดที่คนฟังแล้วเขาแบบคือเราพยายามที่จะให้เขาได้แก้ตัวหรือปรับตัว แต่เราใช้คําพูดที่อาจจะคนฟังเขาแบบไม่พอใจแต่ที่เขาจะดีขึ้นเดี๋ยวเขาขับแย่ลงอะไรประมาณนี้เราก็มาย้อนดูตัวเราอีกว่าอ า, อารมณ์เราแบบนี้ยน่ะมันเหมือนกับว่าเราเราทําไม่ดีกับเ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็เลยอยากเรียนถามผู้อาจารย์ว่าตัวที่ว่าเิลิท่นานังเนี่ยจะมีอารมณ์ในลักษณะใดบ้างครับ เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ศึกษาเลย่ฮิริทนังมาเองจะรู้ว่าเวลาคุณมีความรู้สึกผิดก็จดจำเอาไว้แล้วคราวหน้าจะอย่าไปทําซ้ําอีกเท่านั้นแหละครับ ถ, ถ้ารู้ว่าเอเราไม่ควรทําอย่างนี้เลยก็คราวต่อไปก็ระมัดระวงังอย่ไปทําซ้ําอีกเอามันมาเป็นบทเรียนเท่านั้นเองอันนี้พราะเราไม่ได้เรียนทางคมภีร์มาแล้วเราไม่รู้เรื่อง ภาษาบาลีเท่าไหรบ <Yeah. S 1> แต่รู้วิธีปฏิบัติว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องเอามาให้มันค้างๆ้างในใจเราถ้ามันจะค้างก็เอามาคิดให้มันเป็นประโยชน์คิดว่าเออมันมาเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปเราไม่ควรจะทำอย่างนี้ต่อไปครนะหรือถ้าอย่างไหนมันดีก็บอกออย่างนี้ดีพ <Okay. S 1> ยายามทำนี้ต่อไป ก็ทาท่านี้แหละเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วอย่าเอามาคิดให้เสียเวลาคิดคแล้วทุกไปกับมันไม่ไมเกิดประโยชน์เอามาคิดเพื่อเป็นคติสอนใจได้อยู่ครับคือเรียนถามพระอาจารย์อย่างนี้นะครับเพราะว่าอ่าท่านังก็คือเป็นเป็นอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดนะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นทรัพย์มันประเสริฐก็เลยอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับอย่างเช่นศรัทธาท่านังก็คือทรัพย์ที่เป็นความศรัทธาเนี่ย อารมณ์ของคนจะต้องเป็นอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นคนที่มีทรัพย์ตัวนี้เลยประมาณนี้นะครับผมที่ได้เรียนทาํามไปคือคนที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเรียกว่าเป็นมีมีศรัทธาที่ที่เป็นทรัพย์แต่ถ้าไปเชื่อลอตเตอรี่เชื่อหมอดูเนี่ยมันไม่จะเป็นทรัพย์มันเป็นโจรเข้าใจไหมครับผมนะถ้าอยากจะมีศรัทธาให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รีนี้ก็คือสอนให้เรามีความอายในการกระทําผิด ในทำํทำทําความชั่อเพราะเวล า, าทําชั่วแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่สวยงามใช่ไหมเราไม่เป็นคนดีครับงั้นเราไปให้มีความอายถ้าเรา ม, มีความอายแล้วเราก็จะได้ไม่กล้าทําเหมือนกับเราอายเวลาที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไหมครับเราก็ไม่กล้าเดินออกไปนอกบ้านใช่ไหมเพราะเราอายไม่อยากให้คนก็เห็นสภาพที่ไม่สวยงามของเราครับนั่นก็คือความหมายของฮีรคือให้เรามีความละอายใจ ในการลายเกีกับการกระทําบาปการกระทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายขอจะเข้าใจแล้วนะครับผมครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโอเคเยันท่านต่อไป อ, อคุณเอกอาจารย์พระอาจารย์ครับผมจากเชียงใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวขอจากเชียงรายครับผมจาเชียงราย มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ก็วันนี้กลับเรียนพระอาจารย์ผมได้น้อมเอาที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนมาปฏิบัติก็ทำอยู่ทุกวันนะครับตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก็เดินจงกรมประมาณประมาณสี่สิบห้านาทีหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิต่อนะครับ ก็ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เออมันจะมีอยู่ภายในเจ็ดวันก็จะมีสักหนึ่งวันที่มันแว่งแ่งไม่ไม่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับแต่ว่าให้ที่เรามันเป็นของไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับผมก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆครับผมแล้วเออช่วงช่วงนี้รู้สึกว่าเวลา แต่ว่ามันรู้สึกตัวรู้สึกตัวเร็วขึ้นมานิดนีดนนิดนะครับอาจารย์เวลาแบบว่าเ อ, อถ้าความคิดมันขึ้นมาเงี้ยมันก็จะมีอีกตัวนึ่งจะคิดว่าเอจะพูดไปดีไหมหรือไม่พูดดีไหมถ้าไม่ดีก็ไม่พูดอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็แสดงว่าสติเราดีขึ้นเริ่ ม, มเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ไม่สติมากขึ้นมันก็จะรู้ทันจิตเร็วขึ้นโอ้ครับผม ครับผมครับผมสติไปเรื่อยๆต่อไปพอจะคิดปั๊บมันก็รู้ก่อนละจะคิดดีหร้อไม่ดีมันรู้ก่อนนะครับมันคิดก่อนก่อนทีกว่าครับผมก่อนที่ว่าเราจะพูดอะไรมามันจะคิดมาแล้วก็จะมีอีกตัวมันจะตองมันจะตองอยู่ว่ะค่ะมันจะตองเองทีสัมผัสชัญะต่อไปโอ้ครับผมอืมสาธุคัชัญญามันจะมันจะมีอย่ยมต่อเนี่ยมันจะคอยเฝ้าดูความคิดของเราไปย่างต่อเนี่ยโอ้ครับผมสาธุครับผม เออาจารย์พอที่อจะให้ผมปฏิบัติแนะนําปฏิบัติยังไงต่อไปครับอาจารย์ก็มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นเจริญสติให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากทาให้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้ามีบางช่วงก็พิจารณาทางปัญญาด้วยทางพิจารณาความไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บทต้องตายต้องพัฒนาจากกันเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายด้วย <ด>ครับผมผลเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกครับผมครับผมสิบสองครับเพรา ะ, ราะว่าอืมครับผมครับผมสลับกันไปนะครับเอไ ม, ไม่ไม่ได้ทําพร้อมกันเวลาทําสมาธิก็ไม่ต้องพิจารณาเวลาออกจากสมาธิมาเวลาเดินจงกรมถ้าไม่เจริญสติก็พิจารณาธทมก็ได้<อ>พิจารณาปัญญาก็ได้ตอนตอนเดินจงกรมใช่ไหมครับ ตอนนองจมกลมนี่จะคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นเราเป็นใครคิดไปเรื่อยๆคิดคนนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายเออร่างกายทุกคนก็มีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งผืดตายปอดศาสนาสอนใจครับไล่ไล่ลงไปออให้ครบอาการสามสิบสองย้อนกลับถอยหลังอนุโลมแล้วก็ปฏิรูม ร่มปฏิร่มครับผมจากท่าดินมาเป็นท่าดินแล้วก็จากท่าดินไปท่าน้ําเงี้ยนะครับไม่จากผมน้ําแล้วก็ถอยกลับกลับมาจากน้ำน้องถอยกลับครับผมจากน้ํำมูเอาน้ํำมูเงี้ยก็ทามน้ําอะไรซาเลยน้ํามูน้ำเหลืองอะไถอยกลับมาใหม่ถอยกลับนะครับถอยหลังครับผมครับผมสาธุครับผู้อาจารย์โอเคนะครับผมน้องรับปฏิบัติครับผู้อาจารย์ครับ ท่านต่อไปน ะ, ะคุณนิสาตอนนี้คิวของคุณแล้วมีอะไรจะพูดไหมถ้ามีก็อันนิว้วไมโครโฟนก่อนไมโครโฟนอ่าพูดได้แล้ว ก, ก, การนมัสการเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่บนเจ้าค่ะเข้ามาครั้งที่สองแล้วค่ ะ, ะมีอะไรไหมวันนี้อ่าโยมมีคาถาม นิดหน่อยค่ะเพราะว่ามีเวลาที่คือที่โยมปฏิบัติเนี่ยสมาธิคือการนั่งสมาธิเนี่ยโยมยังนั่งนานๆไม่ค่อยได้แต่จะหนักสวดมนค่ะการปฏิบัติสวดมนเยอะมากแล้วมันมีช่วงช่วงที่สวดมนบทธรรมจักที่นี้มันเหมือนหลับมันเหมือนเราหลับในอะค่ะพระอาจารย์แต่แต่หนู รู้สึกก็นหนูคือคือเราต่อสื้อว่าเราไม่ได้หลับเหมือนเรารู้สึกว่ามันเราไม่ได้หลับแต่ปากเรามันไม่ไปถ้าหลมันเพิ่งหลับเพิ่งตื่นนะค่ะนั้นก็ลุกขึ้นมาเดินดีกว่าเดินเดินได้ไหมลุกขึ้นมาเดินแทนมันจะได้ตื่นเต้นที่ค่ะขนังเรามีอาการแบบนี้แสดงว่ามันเริ่มเพิ่มนะค่ะ แล้วมีมีครั้งหนึ่งอ่าที่หนูหนูจะนอนคือเวลานอนหนูจะภาวนาดูลมอ่ะค่ะภาวนาพุทโธก็คือนอนดูลมแล้วมีอยู่คืนหนึ่งที่เหมือนตัวเองตายคือมันลมหายไปลมหายไปก็ก็ตกใจไปเอ๊ะเราตายหรือเปล่าทีนี้ก็ก็เลยลองลองดูลมอีกก็คือลองลองลองดูว่าลองหายใจอีกพุทโธอีกว่าเรายังอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ ก็มีวันนันหะค่ะที่ว่าลมหายใจหายไปมัาจะเป็นเพราะช่วงนั้นกำลังจะหลับหรือจิตกำลังจะสงบมันจะมักจะมีอาการเหมือนกับขาดใจขาดลมหายใจไปถ้าลืสติรู้รปไปเฉยเฉยถ้ามีสติรู้จิตก็สงบเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติมันก็หลับไปค่ะวาจัดแต่ไม่ไม่ต้องตกใจถ้าหลับตัตดเรามีตัวรู้อยู่ยังไม่ตายหรอกค่ะ ค่ไม่ไม่มีอะไรแล้วค่ ะ, ะอาจารย์อได้ยังั้นขอไปท่านต่อไปนะคนุณเปียคุณเปียอยู่ที่ไหนอ่านมิวมิคโครโฟนเหรอใช่ครับนมัธยมพระอาจารย์เจ้าค่ะจากอำนาจเจริญเจ้าค่ะมีอะไรจะถามไหมมีค่ะตอนนี้ตอนนี้หนูนั่งอยู่กับ แม่ค่ะแม่ก็ฟังพระอาจารย์ด้วยจ้ะค่ะมีคำถามไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาจ้ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอดีวันนี้มีบทสนทนาที่เตียคุยกับแม่แล้วคุยกันจบลงไม่ได้ก็เลยที่ว่าน่าจะให้พระอาจารย์เป็นคนไขความการะจ่างให้คือว่าเอ่อที่ที่ภาคอีสานตอนนี้เขามีพิธีข้าวกายศาสตร์ที่ต้องเตรียมของไป ไปวางไว้ที่นาแล้วก็เพื่อให้บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. แล้วแม่บอกว่าแม่อยากให้ให้เปียทำเป็นให้เปียมาฝึกทำเผื่อว่าเอา่อถ้าไม่มีแม่แล้วเปียจะได้มาทาต่อพวกนี้ซึ่งมันเป็นประเพณีแต่ว่าใจของเปียตอนนั้นตอบตอบกับแม่ไปเร็วมากว่าถ้าเปียทาหน้าที่ลูกเสร็จคือคือเปียตั้งใจไว้ตลอดว่า อยากจะไปในเส้นทางถ้าออกบวชได้ก็อยากออกบวชหรือหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เปียทำอยู่ก็คือเตรียมตัวเองเพื่อที่ถ้าถ้าถึงเวลาพร้อมแล้เราก็คือจะจะบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปียก็บอกแม่ว่าในใจเปียไม่คิดจะผูกแบบนั้นคือเปียคิดคิดแต่ว่าตัวเองจะไปในเส้นทางของตัวเองไม่ได้ไม่ได้คิดผูกแบบจะต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะ แล้วเปียไม่แน่ใจว่าเปียตั้งจิตไว้ถูกไหมแล้วแล้วแม่เองแม่ควรจะทํำยังไงคะที่ต้องคือเปียบอกแม่ว่าขนาดขนาดยังไม่ไปไหนยังฝากขนาดนี้แล้วหลังจากไปแล้วยังจะฝา ก, ย, ฝากยังจะผูกต่อกันอีกเหรอแบบเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์อ๋อแล้วยังไงลนะ่ะคือตัวเปียเองควรจะตั้งจิตไว้ยังไงคือก็แบบจะจะไม่รับปากแม่ว่าจะทําอะไรต่อไป คือจะรับทำมันนี้ทำมันนี้ต่ออะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่าหรือแม่เองควรจะตั้งจิตยังไงให้ถูกต้องคือเราคือเปียรรู้สึกว่าไม่อยากจะผูกกับใครในครอบครัวคือถ้าถ้าทําหน้าที่ลูกเสร็จเปียอยากเปียรอยากทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อเพื่อการปฏิบัติให้ให้ตรงให้สุดไปเลยอะคะ่ะคือทางที่ถูกต้องก็คือทางคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะไปบังคับลูก แต่อาจจะพูดเป็นแบบกลางๆว่าว่าถ้าทำอย่างนี้ให้แม่ก็ดีนะแต่หนูจะทำไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่หนูอันนี้เพราะว่ามันเป็นการไปบังคับไปสั่งคนอื่นมันไม่ได้หรอกเขาจะทำให้เราหรือไม่เราความจริงเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะเราตายไปแล้วเราก็ไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่าแล้ามันก็เป็นการไปไปกดดันเขาไปไปบังคับเขา เพรนเรื่องการบังคับนี้ไม่ควรจะบังคับใจกันมันจะสอนบอกว่าอันนี้เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีเขาทํากันมาตั้งแต่โบราณเราก็รับฟังไว้คนฟังก็รับฟังไว้แล้วจะทําไม่ทำํำเราก็พิจารณาของเราไปอีกทีหนึ่งซึ่งมันก็เป็นประเพณีสําหรับการทําบุญนั่นเองชาวบ้านสมัยก่อนเขาไม่มีเ ง, งินทองเขวก็ทำเอาข้าวเนี่ยมาทำแล้วจะได้ไปถวายวัดถวายให้กับพระ มันก็เป็นการทําบุญแล้วก็อาบุญในอุทิศให้กับผู้ที่รงรับไปแล้ว mm hmm. แต่สมัยนี้เรามีเงินเท่าเราสามารถซื้อข้าวของไปทําบุญแทนก็ได้แล้วเราก็สามารถอุทิศบุญได้เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นอคือคนที่สั่งก็ควรจะเห็นใจคนที่รับไม่ควที่จะไปบังคับเขาสั่งได้แต่สั่งแบบกลางๆบอกว่าแม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นะ แล้วแต่โน้ตถ้าพูดอย่างนี้บางทีคนฟังยังอาจจะเกิดมีความจิตสำนึกว่ า, าแม่อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาก็อาจจะอยากทำให้แม่ก็ได้แต่ถ้าไปสั่งไปสั่งไว้ก่อนมันเป็นเหมือนกับเป็นการบังคับมันคนคนที่ฟังรับไปก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรับไหวหรือเปล่าก็เลยเกิดอาการไม่ไม่อยากจะรับขึ้นมาทันทีเข้าใจไหมทั้งสองฝ่าย ค่ะเข้าใจจะผาพระจันทร์ค่ะออย่าไปอย่าไปบังคับกันแต่พูดเปิดเผยได้บอกว่าแม่นอนตาหลับท่านลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากที่แม่ไปแล้วท่านลูกทำนี้ิดนิดต่อแม่ก็อยากแชร์ลูกใส่บาตทุกวันนี้ก็บอกว่าแม่เคยใส่บาตทุกวันแม่ก็อยากจะให้ใครใส่บาตต่อแทนแม่ก็พูดไปแต่ไม่จะอย่าไปบังคับกัน นี่จะคนที่เขาฟังแล้วถ้าเขาทำได้เขาอาจจะยินดีทําให้แต่าาถ้าเขาอาจจะทําไม่ได้เขาอย่างไ้อยเขาก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเขาผิดตรงที่เขาไม่ได้ทําให้เพราะคนเราบางทีมันมันอยู่ในสภาพที่อาจจะไม่สามารถทำตามที่สั่งได้เขามีใช่ไหมค่ะกรับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะมีเท่านี้ค่ะโอเคนี่กลับไปที่คุณหมอพิรพัฒน์คุณหมออรารดามีอะไรจะถามไหม เจออันบได้อันบมากกว่นหนูหนูมีเจ้าค่ะนหนกูกับกับหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูมีปัญหาที่มันทำให้ทุกข์ใจสองสาวันนี้เจ้าค่ะคือแม่บ้านหนูกับพยาบาลที่ดูคุณยายเขาเออมีปัญหากันแล้วคราวนี้คือเหมือนกับว่าทางโลกนะคะก็คือว่าใส่ร้ายกันนินทา ก, กันจนเกิดปัญหาว่า ถ้ามีเธอต้องไม่มีชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเข้าไปแก้ปัญหาคือว่าทําไมต้องใส่ร้ายกันทําไมไม่อยู่ด้วยกันให้มันสามัคคีกันจะได้แบ่งเบางานแต่เขามีอคติต่อกันแล้วเจ้าค่ะอืแล้วคราวนี้หนูก็มีความกังวลว่าสิ่งที่หนูไปไปเข้าไปแก้ปัญหาไปบอกเขาว่าทําไมพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเนี้ยค่ะ พูดหลายอย่างนะคะแล้วหนูก็เลยกลัวว่าสิ่งที่หนูถือสี่ห้ากรรมบทชสิบมันจะไม่สมบูรณ์เจ้าค่ะหลวงพ่อก็มันก็มีภาคพลั้ได้อย่างที่พูดเรายังไม่ใช่เป็นพระอริยะนะก็สีเท้ายังรู้พลาดนักป่าวยังรู้พลั้งถ้าเราเรื่องว่าเราผิดพลาดไปแล้วก็เอามาเตือนสติแล้วว่าครั้งต่อไปก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีซะก่อนก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคําพูดแต่เราพูดไปแล้ว คำพูดมันยังมาเป็นนายของเราอีกทีนงแล้วค่ะแต่ว่าหนูหมายความว่าหนูเนี่ยก็คือเข้าไปแก้ปัญหาไปไปไปพูดในความเป็นจริงว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะทำไมอะไรเงี้ยอธิบายให้เขาฟังแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่หนูพูดเนี่ยมันเป็นเป็นความจริงเป็นประโยชน์ก็จริงแต่แต่มันอาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อใจของผู้ที่พูดนินทานเนเจ้าค่ะคือมันไป คือคนที่พูดดินทานเนี่ยเขากระทบกระเทือนใจเจ้าค่ะแต่หนูหนูก็ต้องบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ถูกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ให้สติกับเขาไงแล้วก็ให้เขาตัดสินใจเอาเองว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปเขาพูดได้แต่จะาาเสียกรร ม, มบทสิบเรื่องคำพูดไหมเจ้าค้าอันนี้เจ้าค่ะอ๋อบางทีมันพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงมันไม่ไม่เสียหรอ ยกตัวอย่างให้ฟังมีเรื่องหลวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังเลตัวค่ะหลวงตาบอกท่านเคยไปร่วมงานวัตโสกการามตามที่ท่านพ่อรีชั่าสมโพุทธกึ่งพุทธการสอง0ันห้าร้อยเนี่ยแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญกันเยอะแยะก็มีคนมาพวกแม่ครัวมาอยู่เนี่ช่วยทำกับข้าวกันยี่เกิดปัญหาขึ้นมาแม่ครัวแบ่งเป็นสองขัวเหมือนกน <c oughs> <c oughs> แล้เราจะไม่ยอมทํากับข้าวริงจะไม่ยอมทํากับข้าวมันหลวงพ่อท่านพ่อนี้ก็เลยสั่งให้จานหมาหาบัวไปแก้ปัญหาให้หน่อยหอวงตาท่าก็เลยไปพูดให้สติกับเขาฟังว่าพวกเธอลุกมาทําไมพวกเธอมาเพื่อที่จะมาช่วยบุญช่วยงานยังไม่ใช่เหรอไม่ใช่มาเพื่อจะมาทะเลาะกันไม่ใช่เหรอตอนนี้พวกเธอเหมือนอะไรรูกป่าหลวงตาท่านพูดให้สติพวกเธอกําลังเหมือนมาอากาศกันโอ้ท <laughs> <laughs> ่านพ <laughs> ูดท่านพูดอย่างนั้นท่านเล่าให้ฟัง <c oughs> แล้วถ้าพวกเธอยังไม่เลิกกัดกันพวกเธอรู้ปะอะไจะเกิดขึ้นท่านพอดีก็จะแบบกฎออกจากวัดไปเท่านั้นแหละท่านจะไม่มาอยู่เนี่ย <c oughs> ท่านให้คําขาดอย่างนี้พอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็เลยรีบส่านบอกมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระสองโคต่ทะเลาะกันพระพุทธเจ้ากลายเกลี ย, งงกย่างไงก็ไม่ยอมฟังเ้าเลยถ้าไปอยู่กับลิงกับช้างคงดีอ๋อ อพอชาวบ้านเห็นว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่อยู่เขามาส่งส่งสายล่ามามาสอบก็ได้ความว่าพระทะเลาะ ก, กันแล้วไม่ฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเมื่อเมื่อสอนพระไม่ได้ก็เลยต้องไปอยู่ติดไปพอชาวบ้านรู้ว่าพระดื้อต่อพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ใส่บาตรให้อพอไม่ใส่บาตรให้สองสามวันก็รีบไปขอคำมาพระพุทธเจ้ามันอ้าใจไหม มียกตัวอย่างให้ฟังแล้วเวลาพูดเรื่องเรื่องงานเรื่องการบางบางทีก็ต้องพูดตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการผิดเอามาบ่นได้หมมือนกัเรายังอได้แต่คราวนี้ความทุกข์ใจของหนูคือว่ามันไป disturb การปฏิบัติธรรมของหนูเลยคือว่าพอหนูนั่งสมาธิปุ๊บภาพภาพที่เขาเกิดการ มีปัญหากันเนี่ยมันเข้ามาจิตหลังล<ะ>อ่อนเนี่ยจิตหนูยังไป<ะ>ยังไปยึดติดอดีตอยู่สำหรับพระริยเนี่ยท่านพูดเสร็จท่านเลิมไม่เล่ว่าท่านพูกเะไรค่ะอันนี้ก็เป็ีเรื่องใ่้เล่าใังว่าธรรมปาลิยะกับคนธรรมดาต่างกันยังไงมีหลวงตา ก, กับพระบวชหลายรูปหนึ่งท่านไปรับนิมนต์ในบ้านขากลับก็เดินมาจากไปวัดกลับบ้าที่ข่อนจะกลับว่ามันมีราค้อยอดีช่วงนั้นมันเป็นช่วงน้ํา น้ำไหลหลากตอนนี้มียายคนแก่คนนึงนั่งอยู่ข้างเรินทานแล้วก็นั่งซึมเศร้าหลวงพ่อก็ถามว่าโยมเป็นอะไรเหรอน่ อ, อยากจะขับบ้านแต่ไม่กลัวเดี๋ยวเดินข้ามไปเดี๋ยวจะถูกน้ําสัตดไมหลวงพ่อได้ก็เลยยกอุ้มผู้หญิงคนแก่นั้นข้ามไปข้ามไปเสร็จแล้วท่านก็วางแล้วท่านก็เดินต่อไปพระบุญใหม่ที่มากับท่านก็นั่งทุ้มพามคิดในใจเอ้ยพรไปแต่ต้องผู้หญิงได้ไงวะ มานั้คิดอยู่นั่นว่าหลวงพ่อเราผิดไงว่าทาผิดศีลอย่างคิดไปในใจพอไปถึงว่าอดทนไม่ได้อะไรต้องพูดว่าหลวงพ่อไม่คิดหลวงพ่อทําผิดศีลไม่ใช่เหรือที่ไปอ้อมผู้หญิงวันนั้นหลวงพ่อจะบอกกูว่ามันไม่ตั้งแต่ที่ราคาญนะมูงยังแบบวอยู่เรายึดติดอยู่เลยไปยึดติดกับศีนอยู่แล้ว อ๋อแล้วถ้าเราจําเป็นจะต้องเลือกคนใดคนหนึง่งเจ้าค่ะเราจะตัดสินยังไงเจ้าครับก็คนไหนสำคัญกว่าสําหรับเราแล้วก็าคนนั้นเสียคนไหนจำเป็นกว่าคนไหนที่หายากกว่าเอาคนไหนให้ก่อนใช่ไห ม, อมนอกแากว่าถ้าเรารูกว่าคนไหนผิดคนไหนถูกแล้วก็เอาคนถูกไว้คนผิดแล้วก็ต้องไม่เอาไว้เจ้าค่ะหมอเจ้าค่ะภาษาธุนะคะโอเคนะหายคำ <laughs> วันแล้วเนอะ ถ่ายแล้วอยาแาถ่ายมแล้วเจ้าค่ะปสายอยูมาคิดอย่างนั้นนะโอเคหมดแล้วเจ้าค่ะาจำแรงคุณเข้ามามีอะไรไหมนางฟ้าจำแรงอ่านไม่รู้ก่อนไมโครโฟนอ่าหาว่ามานมัสการเจ้าค่ะอายจารย์ สบายดีไหมคะอ่าก็เห็นอยู่ยังมาถามเป็สบายดีไม่สบายดีแสดงว่าไม่มีอะไรจะถามเลยพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูหนูมีเรื่องอยู่ในใจตอนนี้อยู่เจ้าค่ะว่ามาจริงจริงจริงจริห้าสิบเปอร์เซ็นก็คิดได้ในใจว่ามันน่าจะดีค่ะแต่อยากให้พระอาจารย์ช่วยคอนเฟิร์มหนูหน่อยเจ้าค่ะคือว่าลูกผู้หญิงเราอะค่ะ จำเป็นที่จะต้องมีผู้ชาย อ, อยู่ในชีวิตไหมคะถ้ามีกิเลส ก, ก็ต้องจำเป็นะถ้าไม่มีกิเลส ก, ก็ไม่มีไม่มีความจำเป็นค่อมจำเป็นมันอยู่ที่กิเลสราคะตัวการมราคะเนี่ยตัวนี้ถ้ามันมีอยู่ในชายมันก็จำเป็นเพราะถ้าไม่มีแล้วมันเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วถ้าลูกผู้หญิงเรามีหน้าที่การงานดีมีเงินแล้ว รักษาศีลปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังคะจําเป็นจะต้องมีผู้ชายอีกไหมคะคืออยา่างบอกมันอยู่ที่การอ<ด>าคาเราเมีหรือไม่มีถ้ามีมันก็ไม่ไม่อะไรก็ไม่สําคัญจะรวยจะจนมันก็ต้องมีอยู่ดีขนาดขอทานมันยังมีเลยขอทาแต่ว่าเรามีมมเพื่อ<ม><ว>ก <ๆ S 2> ารเฉยๆหรอคะก็นั่นแหละตามมาตัรหานไงเพราะเวลามันอยู่คนเดียวมันเหงาแต่มันจะอ้างเหตุผลอย่างเื่นว่าอาอยู่คนเดียวไม่ปลอดภัย มีผู้ชายช่วยคุ้มครองอถ้าคุ้มครองจริงๆก็อย่า น, นอนร่วมกันซิถูกต้องแล้วถ้เกิดว่าค่ะแปลว่าถ้าเกิดว่าตัดตรงนี้ออกได้ก็สบายที่สุดแล้วใช่มใช่มันจะตัดได้ก็ต้องเห็นหน้าสุภาพเท่านั้นถึงจะตัดได้เห็นแฟนเห็นคนนี้เราอยากจะมาเป็นแฟนเป็นซากศพถ้าเกิดเขาตายวันนี้เรายังจะเอาเข้ามาเก็บไว้อยู่กับบ้านเราหรือเปล่ปา ข้อนี้ไม่เอาค่ะอืมนั่นหละตั้งพยามยมองทุกคนเห็นว่าเป็นเหมือนซากศพเพียงแต่ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอไม่มีหายใจปั๊บนี่ยกให้สับเปลอทันทีเลยแล้วค่ะค่ะโอเคอท่านต่อไปคุณกล้องอมไม่เห็นภาพไม่ทราบว่าจะต้องการจะพูดหรือเปล่าคงไม่ต้องการพูดมั้ง ยัไปที่คุณสุภาพชาเลยนะคุณสุภาพชาได้ยินไหมอ่าเชิญพูดได้เลยภาพนิ่ง เ, เหมือนกันนะภาพนิ่งครับนิ่งยงคุณไปแจาบเลยคุณจจ๊บเปิดไมค์ก่อน<ด>อันมิวก่นอนดันมิว ก, กดันมิวที่กลางกลางจอนะนิ่งไปเหมือนกันสัญญาณ อ้าวคุณสุภัทรากลับมาก่อนนะเชิญพูดได้เลยคุณสุภตทราคุณสุภตราอยากจะพูดก็พูดได้เลยหายไปแล้วสัญญาณสัญญาณเขาไม่ดีฮะออ่าคุณจ็คใหม่คกอวันนี้เราได้รับข้อมาว่ามีการคประชนทีมศึกโซนทีทั้งหมดนะคะ เสียงไม่ชัดเลยต้องเข้ามาใกล้ๆหน่หายไปแล้วคุณคุณแจบนะฮะคุณแจ๊บเชิญคุณจ๊บลองอีกทีฮะกดอันบิกดอันบิวที่ตรงกลางจอฮะค่ะกรานาัสการค่ะพระอาจารย์คือว่าอยู่กรุงเทพค่ะตรงสาทรค่ะเชิญค่ะ คือตอนเนี้ยค่ะหนูก็พยายามเจริญสติในชีวิตประจําวันนะคะแต่เวลาไปที่ทํางานนะคะต้องพูดคุยคิดกับผู้คนมากมายในที่ประชุมนะคะก็เกิดความเครียดนะคะเวลาเกิดความเครียดเนี่ยหนูก็จะเจริญสติคือท่องพุทโธในใจรัวๆเนี่ยไม่ทราบหนูปฏิบัติถูกไหมคะถูกถูกถ้าถ้าท่องพุทโธได้ก็ท่องไปแต่มันมีอาจจะมีปัญหาพอท่องไปแล้วอาจจะไม่ได้ยินว่ า, วาเขาพูดเขาคุยอะไรกันก็ได้ ใช่ค่ะพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรดีคะก็ะพยายามใช้สติแล้วก็คอยควบฟังไปแล้วกส็สอนใจว่าอย่าไปอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังฟังไปด้วยเหตุด้วยผลถ้าเรายังต้อง<ต>เกี่ยวข้องกับคนอันไม่ควรเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยชอบไม่ชอบนี่อย่าไปเอาเข้าไปเกี่ยวข้อง ฟังแล้วฟังไจะอชอบไม่เชอบก็ฟังไปค่ะก็คือต้องคอยเตือนใจตัวเองไปเรื่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการทํางานซึ่งอาจจะมีอะไรบ้างที่ขัดกันไปขัดกันมาแต่เราก็ก็ต้องแบบว่าพยายามถือหลักแบบว่าเอารุ่มเอาวยกันอะไรทํานอง น, นัง้นอย่าไปตั้งหลัเตะกันชนกัน ค่ะแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายัางทำไม่ได้ก็ท่องพุโทโธในใจไปก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้เออถ้าเาอายาต้องการทำใจให้เราหายเครียดหายอะไรเราก็ท่องพุโทโธไปค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามแล้วค่ะได้คุณขวัญอยากจะพูดไม่คุณขวัญปฐุมนภายังไม่ได้ยินเสียงต้องอันนิวก่อนมาแล้ว กานมัสการเจค่ะอ่ามายังไงอยู่ัทยาใช่ไหมอยู่ัทยานะเจ้าค่ะอืมตอนนี้นี่ลูกใช้ใช้บ้านเป็นวัดนะคะก็รักษาปีนรักษาปี่ยนแปดเท่าปีที่สองเลยนะค่ะตอนนี้ก็อ่านมือเดียวดีมากดีมากค่ะใส่บาตทุกวันด้วยใส่บาตทุกวันด้วย ขยันขับรถมาสายบาตทุกเช้าเลยแต่ไม่ได้ไปหลายวันแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปเจ้าค่ะอะงานค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วทําไว้ทํางานไหวหลือฉันกินข้าวเมื่อเดียวไหวเจ้าค่ะมันชินแล้วเจ้าค่ะอมันอยู่ที่ใจนะถ้าใจเราไม่ไปขิวสัอย่างมันก็ไม่ขิวดีลูกลวควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าค่ะก็ ปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะจมากได้ถ้านั่งสมาธิได้เมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิทาใจให้สงบให้มากๆฝึกสมาธิให้บ่อยๆให้ชํานาญให้เก่งทําสมาธิก่อนก็ได้ช่วงที่ไม่ได้นั่งก็ให้ฝึกจรันสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดไว้แล้วถ้าอยากจะคิดทางปัญญาก็พิจารณาว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงหรอกานที่เราทํานี้มันก็ไม่เที่ยง แล้ววันนึ่งมันก็ต้องจบลงทุกสิงทุกอย่างที่เรามีที่เราเรากี่ยวข้องด้วยมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช้ากันแล้วก็ต้องมีการพัดผาจากการเป็นธรรมดาคอยสองเตือนใช้ไว้บ้างจะได้เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจะได้ไม่เสียหลัจกจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจเจ้ค่ะรู้ตั้งใจจกกะเกษียณแต่ว่ามีงานเข้ามาช่วงที่เยอะมากก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมให้กเกษียณหรือเปล่าเจา้าค่ะ ก็ อ, อยู่ที่เราอ่ะถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวแนว่วแน่มันเขาจะยอมไม่ยอมมันก็ไม่เกี่ยวเราอ่ะถ้าเราจะไปซะอย่างตอนนี้เราทํางานเราจะไปลาออกจากงานเจ้าของร้านก็นบริษัทเขาจะถามคุณเอาต้องการเงินเดือนเพิ่มไหมเอาไหมจะให้เงินเดือนเพิ่มบอกเราไม่ได้มีาการออกของเรานี้ไม่ได้เพื่อที่จะมาเรียกของเงินเดือนเพิ่มเราต้องการจะไปปฏิบัติธรรมเขาพูดอย่างแนว่วแนว่เขาก็เลยต้องยินยอมปล่อยให้เราไป มันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาหระอยู่ที่ความเน่าแน้าของเราว่าเราจะเอาทําแรืวจะเอาเงินนั้นแหละกิเลสมันชอบอ้อยเอีกมันยังชอบเสียดายยังอ ย, อยากอยู่ในเพศคารวาสอยู่แต่ไม่อยากจะไปเป็นนักบวชแต่เราต้องนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นนักบวชทั้งนั้นอะ่ะท่านถึงได้ดิบได้ดีถ้าเราอยากจะได้ดิบได้ดีเหมือนพระพุทธ ถ้าประสมเราก็ต้องไปบวชตามท่านถ้าลูกจะใช้ใช้ใช้บ้านเป็นวัดโดยที่ไม่ได้ไปบวชตามสถานที่ปฏิบัติอย่างีจะได้ไหมเจ้าค่ะได้ถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติศีลเจริญธรรปัญญาในที่บ้านได้ก็ปฏิบัติได้แต่วันหนึ่งมันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือ น, นต้นไม้นะ่ะปลูกต้นไม้ในกระถางกับป ล, กปลูกต้นไม้ในดินมันตา่างกันนะตอนต้นอาจจะปลูกในกระถางก่อนเพราะว่าต้นไม้มันยังเล็กอยู่ แต่พอพอปลูกไปปลูกไปพอต้นไม้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อไปมันจะใหญ่กว่ากระถางไม่ได้นะก็ต้องย้ายลงลงดินอีกทีหนึงถึงจะเจริญเติบโตได้ดนั้นในเรื่องต้นอาจจะปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ได้แต่ต่อไปอาจจะคิดว่าที่บ้านยังขาดบางอย่างที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าเช่นบางทีเรายังต้องเจอกับความกลัวถ้าเราไม่มีอะไรมากระตุ้นความกลัวเราเร า, เราก็ยังกลัวอยู่นั่นแนหะ เน่ยเราอาจจะต้อาางคิดว่าเออต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนที่มันน่ากลัวบ้างเลื่อกเราจะไปแบบชั่วครัง้งชั่วคราวก็ได้อาจจะถือบ้านเราเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นฐานของการปฏิบัติแล้วนานๆก็ออกไปทุดงตามวัดตามสถานที่ต่างๆชั่วคราง้งชั่วคราวก็ได้แบบของเพื่อนคุณจ้าะเพราะการปฏิบัติมันจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่มากสะเทือนใจเราเนะี่ย ถ้าอยู่ที่บ้านมันปลอดภัยมันก็อาจยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรมันตายหรือไม่ตายถ้าไปอยู่ในป่าไปอยู่วัดป่าที่ไหนมันเปลี่ยนที่มันน่ากลัวหน่อยก็จะสังเกตดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรเวลาเราอยู่ที่ปลอดภัยมันเป็นอย่างหนึ่งเวลาเราอยู่ที่มันไม่ปลอดภัยมันจะเป็นอย่างหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเราควบคุมมันได้หรือเปล่านะ แต่เบื้องต้นถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปไหนก็อยู่ที่บ้านไปก่อนก็ได้หรือถ้าเราพอใจจะบวชไปอยู่ที่บ้านจนวันตายก็ได้ถ้าเรามีความสุขอย่บวชที่บ้านอาจจะบรรลุที่บ้านก็ได้ไม่แต่ละคนมไม่แน่นอนเนะะสาธุเจ้าจค่ะถามได้ขอให้เราได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็แต ว, ว่าใช้ได้เนทะ่านั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้มีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะ โอเคอันนี้อยากจะเปิดให้ทุกคนถ้ า, าใครต้องการจะพูดซ้ำเองก็ย ก, ยกมือขึ้นอะไรก็ได้นะถ้ายกมือก่อนก็พูดได้เลยอ่ะคุณหมออารดาหมอพิรพัทน์พีซเอสแฝดหาอัานนิ้วไ ม, โ, มโครโฟนพิรพัทน์ออเออเอาเลยหลวงพ่อจะขับหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ใส่บาท ให้ใส่บาททุกวันจะข้าเจ้าค่ะแต่ถ้าหนูโอนเงินไปไปเดือนละครั้งหรือว่าหรือต้องโอนทุกวันเจ้าคะอย่างนี้มันมีความแตกต่างกันไหมเจ้าคะไม่ต่างกันได้ยังไงก็ได้ไมใส่บาทด้วยตัวเองไม่ได้ไปใส่บาทด้วยด้วยตัวเองก็ได้ใช่ไหมเจ้าได้ได้ทํามุล อ, อย่างอื่นก็ได้ถ้ า, ม า, ไ, า coaster, ไม่ได้ใส่บาทไม่ไม่จําเป็นจะต้องใส่าบาทเสมอไปทํามุลกับเดกพิการทํามุลกับเอ่อคนชร า, าอะไรก็ได้อ๋อได้ <icha> หมดมคือว่า กับโรบบพงพยาบาลพี่ชโรงพยาบาลแม่บ้านนั้นได้หมดนะเจ้าคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงแม่ก็ได้เนี่ยเลี้ยงดูคุณแม่นี่ก็ได้อ๋อเจ้าค่ะอีกอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะหนูหนูหนูที่เคยกลับเรียนหลวงพ่อว่าหนูท่องอาการส32ไปกับจนคล่องแล้วจะค่ะคราวนี้ยหนูมาพิจารณาผมอย่างเดียวผมว่าเกิดจากอะไรก็ขึ้นมาล่วงลวงไปเป็นปฏิกูลแล้วก็วนวนอย่างเงี้ยหลายๆรอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อย่างเงี้ยทำทาถูกไหมเจ้าคะก็ถูกเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากเพราะถ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปยึดไปติดมนันไงโอ้อเจ้าค่ะเราต้องไปพิจารณาในส่วนที่มันเรายึดติดเช่นผิวหนังเราเงี้ยอเจ้าค่ะงเราจะยึดติดมากกว่าเดี๋ยวมีสิวมีฟ้าขึ้นมาหน่อยเราก็ตกใจ อ๋อยังต้องพิจารณาส่วนที่มันทําให้มันสะเทือนใจเราอ๋อเจ้าค่ะคือผมได้ยอมรับความเป็นจริงของมันเนี่ยเอ๊ะแต่มันก็เกิดเกิดเออในฝันนะคะในฝันในฝันเนี่ยเกิดว่าเราเราเห็นผมของเราเนี่ยมันไม่สวยงามเจ้าค่ะแล้วแล้วในฝันเราก็กลัวกลัวมากเลยว่าเฮ้ย ต้องบำรุงรักษาให้ให้สวยงามในฝันนะคะบำรุงแล้วยังไงมันก็ไม่สวยกลับมาจิตในฝันก็เลยบอกว่าเอ้ายอมแพ้มันเถอะเพราะยังไงมันก็ขีเลรแล้วล่ะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ได้อย่างงั้นก็ได้ต่อไปก็ได้ไม่ต้องไปล้านเสียงสวยทําทําผมตัดให้มันสั้นๆเลยเนี่ยมีลูกสิษย์ที่มาปฏิบัติทํานี้ทุกคนเริ่มตัดผมสั้นกระหนุดนะเจ้าค่ะแต่หมอพีรพัฒน์ไม่ยอมเจ้าค่ะเลยไม่อยากให้ตัดนะ แวหลวงพ่อหลวงพ่อบอกบอกว่าหนูหนูพิจารณาผมแล้วหนูก็เห็นวนๆนหนูก็ไม่เห็นถึงความจริงเจ้าค่ะหนูไม่เห็นถึงความเอ่ออะไรของผมเลยเจ้าค่ะแต่ถ้าเป็นผิวหนังนี้หนูจะมีความอินว่าอุ้ยมันจะไม่สวยอะไรเนี้ยเจ้าค่ะใช่เหมืนอนอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นสักวันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมผิวแต่แต่พิจารณาผิวหนังนี้หนู หนูให้พิจารณายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อพิจารณาไม่เป็น่เที่ยงเหมือนกันมันอันนี้จังไม่เที่ยงแต่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันอ๋อว่ามันหิวเยอะไ่มย่นบ้างเหี่ิวบ้างเป็นสิวเป็นฝ้าบ้างเป็นโรคบ้างอ่เป็นโรคผิวหนังบ้างอะไรต่างๆอ๋ออาจจะถูกไฟไหม้บางส่วนบ้างอะไรถูกทําร้อนโร่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าค่ะแล้วค่ะคือให้ลอง พอมันเกิดก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นดัชนีตาเราไปควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้จะทาให้มันสวยไปตลอดเวลาไม่ได้อืเจ้าค่ะก<ม>็ให้พีรนาตั้งแต่หน้าไปจนถึงปลายเท้าเลยแล้วค่ะใช่ที่ไหนก็ได้น่าแต่ที่เราคิดว่ามันจะสะเทือนใจเราที่เราขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะอ๋อแล้วมันเนี่ยต้งแต่สีสะลงไปถึงเท้าเนี่ยผิวหนังมันมีหนังหุ้มหอย อ, อยู่ตั้งแต่ ตลอดร่างกายของเรานี้ก็หุ่นหอนด้วยผิวหนังนี้อ oh. ร่างกายเราถ้าบอกเป็นหนุนกระเป๋ากระเป๋านหนังทั้งในกระเป๋าก็มีจัดไตไส้พุงมีโครงกระดูกมีอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปดูข้างในอีกด้วยเพื่อ oh. ได้เห็นชัดเจนทั้งร่างกายว่าร่างกายนี่มันสวยหรือไม่สวย ม, oh. มันน่ารักหรือม่น่ารักที่มันน่ารักเพราะเรามองแค่เห็นแต่ภายนอกเห็นแต่ผมเห็นแต่ผิวหนังที่สวยงาม แล้วค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปถึงภายในแล้วเราก็จะได้เห็นว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรสวยงามข้างในเลยเป็นเ <โด S 1> หมือับเป็นเหมือนกับถุงพละสติกที่เราไปเอาเอาไปซื้อเนื้อที่ตลาดเนะี่ยเอาซื้อตับไตไส้พวขงของหมูใส่เข้าไปในถุงแล้วเราขิวมันระ่ <c oughs> นางกายเราก็เป็นแบบนั้นเป็นหนังของเรามันมันทึบมันมองไม่เห็นไม่เหมือนถุงพลาสติก หนงังเราใสเหมือนถุกพลาสติกเราก็จะได้เห็นกระดูเห็นต่อเห็นปอเนดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นเนื้ออะไรต่างๆเจ้าค่ะก็คือของหนูเนี่ยให้ให้มันพิจารณาหนังหนังไปไปเบื้องต้นก่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ค่อยๆลอกหนังออกเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรที่มันสวยสดงดงามหรือเปล่านะเจ้าคะาดูให้มันครบทั้งสามดีสองอาการเลยคดูหนังแล้วก็ดูเนื้อแล้วก็ดูเอ็นที่รัดกระดูก แล้วก็ดูโครงกระดูกแล้วก็ดูปอดตับไตลำใส้อะไรต่างๆสมองแล้วก็ช่วยดูส่วนที่เป็นน้ําน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเหนือก็เป็นเหมือนเป็นนักศึกษาแพทย์นี่แหละศึกษาสิ่งต่างๆที่นีในร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรให้ดูซ้ําๆนะเจ้าคะ่ะดูใหไ ด, ดไูไม่หลงไงจะได้ไม่หลงทีเ่เรามันสวยมันน่ารักเจ้าคะ่ะดูแล้วลืมเดี๋ยวพอเห็น เห็นเห็นคนหน้าหน้ารักหน้าชมก็หลงไปรักเขาอีกเล้อค่ะแต่ถ้าดูบ่อยๆมันจําได้เพอะมันจะไปรักใครบอกจะไปรักอาการสาริ32เหรรัก อ, อันไหนดีเล่ะรักปอดดีไหมหรือรักไตหรือรักลำไส้เล้อค่ะเพราะว่าสังเกตตัวเองคือพอเราเดินไปเห็นคนสวยคนหล่อผิวพรรณดีเนี่ยเราจะชอบพอชอบเสร็จเราก็ได้สติมาลอกเอ๊ะลอกหนังออกก็ไม่เห็นจะดู ดูสวยสักคนเจ้าค่ะมันจะเป็นจิตแบบเหมกันหมดพอเข้าไปทำงานปั๊บนี่จิตบางทีสักปัญญาเราไม่ค่อยทันกิเลสกิเลสมันชอบไปก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าเราคิพิจารณาบ่อยๆต่อไปมันจะทันต่อไปบางทีปัญญาจะแซงกิเลสด้วยซ้าไปอ๋ออินทรีย์ปั๊บมันมองทะลุเข้าไปทั้งทั่วอาการสามสิบสองก่อนนะอ๋อเจ้าค่ะอันนี้คือในโหมดของการพิจารณาใช่ไหมเจ้าคะ ใช่เรียกว่าปัญญาเจริญเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายปล่อยอาการมรารักมเจ้าค่ะแต่ว่าโหมดโหมดของสัมาทานนี่หนูหนูยังไม่รวมรวมแบบเวลาจะรวมนี่ต้องต้องเพ่งอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าอเอาการ32นี่มันช่วยคลายความฟุ้งซ่านคือจิตบางทีก่อนจะมานั่งมันดูลมไม่ได้มันยังคิดถึงเรื่องงานคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ ก็เราให้เท่าอาการสามสิบสองไปก่อนเพื่อิงใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆที่เรายังไปติดพันอยู่เจ้าค่ะหรือว่าดูพอมันไม่คิดพอมันไม่คิดถึงอะไรแล้วพอดูลมได้ก็ดูลมไปอย่างเดียวแล้วจิตมันจะรวมเข้าสู่สมาธิได้อ๋อเจ้าค่ะกาบสาธุเจ้าค่ะหมดแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อหมดแล้วนะท่านต่อไปใครอยากจะพูดคุณหลา มีคำถาม<อ>จากเฟซบุ๊กเหรเจ้าค่ะมีหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณรุ่งฤดีกับนมัส ก, การพระอาจารย์ที่ฉันปลูกบ้านใหม่จําเป็นจะต้องตั้งศาลเจ้าที่ใหม่เจ้าคะไม่ไเจ้าหรอกเราปลูกบ้านเพื่อเราอยู่ไม่ได้ปลูกให้เจ้าที่ย้าทางเขาอยู่หรอกเจ้าที่ยจาทางมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้แล้วเขาก็อยู่บ้านแบบของเราเจ้าที่เจ้าทางก็ต้องอยู่บ้านทริป บ้านทิพก็คือบุญถ้าเราอยากจะให้เจ้าที่จะาทางเขามีบ้านทิพย์แล้วก็ทําบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขาเวลาเราสร้างบ้านเสร็จอุทิศคุณให้เขาไปเขาไม่ต้องการบ้านแบบของเราอยู่บ้านที่ร่างกายเราอยู่นี่เป็นบ้านสําหรับร่างกายหยาบส่วนกายทิพย์นี่ต้องการบุญเอ็นทําบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขาถ้าเขาต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้เพืค่ความสบายใจของเราถ้าเราคิดว่ามี มีเจ้าที่เจ้าทางเราก็ทำบุนุษย์ทำบุญทิศไปให้เขาได้ถ้าเขารู้เขาก็จะอาในโมทนามีคําถามเดียวใช่ไหมคําถามเดียวเจ้าค่ะใครอยากจะถามต่อก็เออคุณสุภัทราต่นนี้อันมิวได้เลยคุณสุภัทราอยู่ยข้างล่าลตรงๆรค่ะได้ยินไหมค ะ, ะได้ยินได้ยินครับนะได้ยินแนละ้ว กรรมนมรสการค่ะพระอาจารย์ลูกอยู่จาร์ลาสเท็กซัสค่ะอตอนนี้เท่ากับของพระอาจารย์หรืว่ากลางคืนเนาะค่ะเสามทุ่มเลยไอสามเก้าโมงเช้าเลยจะเจ้าเจ้าเจ้าขาเพิ่งผ่านเฮอริเคนลอล่าไปก็ไม่มีผลกระทบค่ะที่ดาลาสแค่ฝนตกเอชวฝนตก ค่ะก็ก็ปลอดภัยก็คะคือลูกอยากจะลูกมีคำถามนะคะในการที่จะฝึกปฏิบัติต่อนะคะก็คื อ, อ, อลูกไม่สบายก็มาหลายเดือนแล้วก็หมอเขาบอกว่าคือพอดีเป็นกอดหลายย้อนนะคะแล้วก็คงใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะหายลูกก็เลยถือว่าถือว่าเป็นบุญที่มีแบบทดสอบเข้ามาแล้วก็ได้เห็นทุกของ ทุกขวัญทนานะคะแล้วลูกก็ยึดคําที่ว่าเมื่อก่อนถามพระอาจารย์ว่าใช้คําว่ามันก็แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นแหละก็ทําให้รู้สึกใจโล่งขึ้นแล้วก็แล้วก็พอดีลูกจะลูกยังไม่ได้เอ่าไม่ได้สมาธินะคะแต่ก็พยายามฝึกสติแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่ทีนี้พอมีอารมณ์หรือจิตคือมีความขุ่นมัวอย่างเช่นแบบมีความกังวลหรือจิตวุ่นวายลูกก็จะเห็นมันพอเห็นมันลูกก็จะนึกว่า มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไปแล้วก็กลับมาท่องอิติปิโส ต, ต่อนะคะได้ไหมเจ้า ค, คะได้ได้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเลค่ะคือคือพยายามเชิญๆชิญพูดไปคือพยายาม ก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันหลังจากสวดมนต์ก็นั่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่รวมนะคะคือเคยรวมครั้งเดียวแต่ก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้รวมอีกแต่ก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีการที่มองไตรักนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะมองว่ามันไม่เที่ยงพระอาจารย์สอนเสมอว่าเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปอย่าไปตามมันแล้วก็กลับไปบริกรรมต่อนะเจ้าค่ะก็ทาอย่างนี้ทุกวันก็พยายามบริกรรมไปเวลานั่งสมาธิ อย่าไปคิดเรื่องื่นถ้าไม่จำเป็นหรือว่าถ้าไม่บริกรรมก็ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วแต่วิธีไหนที่เราถนัดเราก็เอาวิธีนั้นไปแล้วก็อย่าไปหวังอย่าไปอยากให้มันรวม ค, ความอยากนี่มันจะมากั้นบบริกรรมไปมโดยที่ไม่ต้องไปหวังผลอะไรให้อยู่กับ ค, คําบริกรรมไป ลูกก็เห็นเห็นเห็นเห็นจิตที่มันคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะความวุ่นวายความอะไรแต่ก็ไม่ยึดกับมันนะคะเพราะเชื่อว่ามันก็มาแล้วมันก็ไปมันก็มาก็ไปก็เลยไม่พยายามเกาะความกงังวลตรงนั้นหมายถึงตอนที่นั่งสมาธิเลยตอนอยู่ทั้งวันนะคะเวลาแบบบริกรรมก็จะเห็นมันลอยมาลอยไปไ ป, ไปนู่นไปนี่แต่ก็แต่ ก, ตก็ก็เห็นมันเปลี่ยนไปอะคะ่ะแต่เราก็เราก็อยู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เราก็อยู่กับพุทโธของเราไปแล้วก็บริกรรมของเราไป เราเอามันมาเป็นอนัตตาอย่างที่พูดเหมือนดินฟ้ากันเวลา ย, ยัง้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเราอย่าไปตามมันเขาก่อกกนถ้ า, ถ, าถ้าลูกยังไม่ได้สมาธิยังไม่ได้อุเบกขาลูกพยายามคิดถึงไกลลักเรื่อยๆไดไหมเจ้าคะได้ทุกวันไ ด, ได้ก็เป็นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราได้สมาธิก็ได้ที่เรียกว่าปัญญาวรวมสมาธิ ทำทําให้จิตใจลูกสบายมากเลยค่ะพอคิดถึงไตรลักว่าเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องไปยึดกับมันเดี๋ยวมันก็ไป เ, เดี๋ยวมันก็ไปก็เลยสบายรู้สึกแบบใจโลง่งนะคะอ อ, อย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ไม่ต้างเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเข้าไม่ได้ถ้าตับได้เร า, เ, าเราเราดับความทุกข์ใจเราได้ก็ใช้ได้เหมือนกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะงั้นกก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อนะเจ้าค่ะฝึกไปเรื่อยๆได้ถ้ามีเวลาก็ลองนั่งสมาธิด้วย เพรเวลาสิ้นสงมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายมันได้พักผ่อนทำไมงั้นใช้ปัญญาอย่าเรื่อยๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะค่ะแต่ก็ใช้เจ้าขาลูกก็พยายามฝึกนั่งสมาธิแต่พอแต่เวลาแบบเรารู้ก็ยังไม่ได้กดเบกขาก็เลยใช้แบบว่าเอองั้นก็ทําใจละกันพอทำใจแล้วก็รู้สึกเออเวลาทําใจมันมันสบายดีไม่ต้องไปแบกมันอะไรก็อะไรก็อดเายีแบบนี้ ค่ะเพราะงว่าอารมณ์เจอค่ะอยู่ดีๆมันก็มีอารมณ์แช่งขุ่นเราก็จะขุ่นใครอยู่ดีก็วิ่งเข้ามแล้วก็เห็นมันวิ่งเข้ามาแล้วค่ะก็อ้าวไม่มีโกรธด้วหรอเรามีแบบนี้หรออ้าเออก็เป็นไปก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็จะบอกเออช่างมันเอปล่อยวางมันไม่ต้องไปตามมันอย่าไปโกรธตามมันใช่ค่ะ เพราะว่าล้างห้องน้ำอยู่ตัวตรงอยู่นีความกลัวก็มีเข้ามาก็อยู่ดีๆก็เอ๊ะทาไมเรามากลัวอะไรก็เห็นมันก็เห็นมันได้ยิ้มยิ้มแล้วก็ เ, ออเดี๋ยวมันก็ไปเราก็อิติปิโสต่อเจ้าค่ะเออดีใช้ได้ใช่ถูกต้องได้นะเจ้าค่ะอล้วของท่ญญากสยธรมปฏิบัติต่อค่ะอ่าเชิญท่านต่อไปากายต้องการก็ยกมือขึ้นกายต้องการจะพูดก็คุณฟักก็ตีออฟฟาร์มอสี นนกาบเรียนพระอาจารย์ค่ะคือสงสัยคําว่าสัมมาสติอ่าในในระหว่างวันคือเราต้องมีสติตลอดเวลาก็เลยสงสัยว่าเราตะวางใจ ย, ยังไงหรือทํำยังไงเราถึงจะเป็นคนที่เหมือนมีสติได้ตลอดเวลาอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็บางทีแล้วก็ไปทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะการที่มีสติได้ตลอดทั้งวันนี้คือมันสามารถทํายังไงได้บ้างค่ะ าวิธีหนึ่งก็คือให้เราท่องพุทโธไปเลยพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้จิตเราไปคิดถึงอดีตเทวนาคตบังคับให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับร่างกายให้ให้มันไปกับร่างกายร่างกายอาบน้ำก็อาบน้าไปกับร่างกายร่างกายแปลงพันก็แปลงพันไปกับร่างกายร่างกายรับประทานอาหารเื่อรับประทานอาหารไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงอดีตึงวนาคต คิดถึ ง, งนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาพุโทโธดึงมันไว้ถ้าเราไม่สามารถถูกใจไว้อยู่กับร่างกายได้มันก็ใช้พุโทโธช่วยดึงมาไว้อันนี้ก็จะมีสัมมาสติเวลาทำงานก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำกำลังเขียนหนังสือกใก้มีสติอยู่การเขียนหนังสือเวลาอ่านหนังสือใก็ใ้มีสติอยู่การอ่านหนังสือไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกมีสติ หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้ใจคิดพงซ้ำใช่ไหมคะไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังข้างหลังให้อยู่งกลางให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอืมแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ท่องพุทโธเพื่อดึงเพื่อดึงให้เรามีสติอยู่กับตัวเองใช่เพราะบางทีเราสติไม่มีกําลังพอเราคิดว่าเราราโดยอยู่ดูทำอะไรอยู่จริงอยู่ทําทํามันก็แวบไปคิดเรื่องอื่นได้ได้ค่ะอ๋อค่ะสาธุค่ะโอเค ท่านต่อไปใครอยากจะพูดก็ยกมือขึ้นคิดว่าไม่มีแล้วมั้งเพราะนี่ก็ชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วหนะึ่งชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาทาีเดี๋ยวจะรอใ ห, ให้ใครอยากจะพูดยกมือขึ้นได้นะคิดว่าคงยังไม่มีแล้วนะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อน